วันนี้เรารวบระดับสักหน่อยต่อไปนี้เราพวกเรานั่งสวยสบายภาวนาไปแล้วก็ฟังธรรมะไปต้องทำธุระให้เสร็จยขึ้นสลามาไม่ ก, กี่นาทีพากันลงไปปัสสาวะกันเยอะ ต้องวางแผนลงหน้าคิดว่าเราขึ้นมาบนนี้นี่ไม่ให้มันเสียเวลาต้องได้ลงไปมันเสียเวลาด้วยมันเสียความเคารพด้วยระยะเวลาไม่กี่นาทีเองขึ้นสลามานี่มันก็ไมพร้อมกัน พวกเราต้องอยู่ในท่าทีที่ฝึกตลอดอยู่ในท่าทีที่ฝึกฝนอบรมตนตลอดไม่ใช่อยู่อย่างลอยๆตามบุญกรรมเก่าการอยู่ในท่าทีที่ฝึกฝนอบรมตลอดเนี่ยคืออยู่ในอยู่ในท่าทีที่ไม่ประมาทอยู่ในท่าทีที่สำรวมระมัดระวัง ตลอดคุ้มาระวังธุระหน้าที่การงานอะไรบ้างที่เราต้องจัดต้องทํามีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องจัดต้องทําให้มันสัมพันธ์กันกับเวลเวลาที่เราต้องจัดต้องทํานีเรื่องเกี่ยวข้องต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องที่เราจะต้องใช้เวลาเวลาอย่างไง เช่นอย่างเวลาเรามารวมกันอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องวางแผนสิเราขึ้นสลามาไม่กี่นาทีลงไปแล้วลงไปปัสสาวะกันแล้วก่อนมาเราก็นึกซะก่อน น, ะนึกปัสสาวะล้วก็ไปปัสสาวะต้องหัดให้ได้อย่างนั้นไม่งั้นเสีย อ, อดต้องหัดอดแต่มันเหลืออดแต่ที่มันเหลืออดก็เนื่องจะว่าเราไม่รู้จักกะจักเกณฑ์บางทีก็ห้าหกชั่วโมงมามาได้คิดที่จะทำพอเวลามาจ่อยแล้วก็ทำกันแล้วบางทีมันก็พลอยเสียส่วนใหญ่ไปด้วย มันขาดความพร้อมเพียงขาดความสมรู้คีขาดความสองพร้อมเพียงแต่สิ่งเหล่านี้มันมันบังคับกันไม่ได้มันกะเกณกันไม่ได้ดอกมันขึ้นอยู่กับเราสำหลวงละมัดระวังเอาเองถ้าเราสำหลวงละมัดระวังได้นี่มันได้รู้จักวางแผนรู้จักกะเกณฑ์ให้ดีได้ถ้าเราไม่รู้จักกะเกณฑ์ มันก็ไม่เป็นไม่เป็นระเบียบการคิดกะเกณอะไรล่วงหน้าเนี่ยมันดีกะเกณ น, นี้งั้นกะเกณ น, นี้วางแผนนี้งั้นวางแผนี้นี้ครูบาอาจารย์ท่านท่านว่าอยู่ด้วยทิฏฐิอยู่ด้วยการอยู่ด้วยทิฏฐิ คำว่าทิพติในที่นี้หมา ย, มายความว่ายุด้วยความรู้ความเห็นยุ่ด้วยความรู้ความเห็ น, ว ค, ว ค, วหนความคิดความกะความเกณฑ์มันดีมันได้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดอย่างอื่นมันก็หาตัวอย่างยากเราพูดถึงข้อวัดของเรานี่แหละ เราพูดอย่างอื่นเราหาข้อจับยากเราพูดถึงข้อวัดของเราข้อวัดของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะพึงทำประจําเราจะต้องทําข้อวัดอะไรบ้างและข้อวัดนั้นๆเนี่ยมันสัมพันธ์นกันกับเวลาอย่างไรบ้างจากเวลาช่วงไหนไปช่วงไหนจากเวลาช่วงไหนไปไปช่วงไหนทําอะไรเราก็นึกกระเกณ์วาด ภาพให้กับตัวเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อวัดไปจำวันอย่างที่พวกเราทำทำกันเนี่ยเรากำหนดที่อื่นไม่ได้เราก็กำหนดตั้งแต่เช้าขึ้นมาอะไรก็ได้เช้ามาสาลาเนี่ยเช้ามาสาลาเรากะว่าเรามาพร้อมกันตีสี่ตีสี่หมายความว่าเราพร้อมกันเราพร้อมเพรียงกันพร้อมที่จะทาวัด เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะต้องมาลงหน้าเท่าไรเราเดินจากกุฏิเรามานี้ใช้เวลาเท่าไรแล้วเราลุกขึ้นเราลุกขึ้นทำธุระส่วนตัวที่กุฏิเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เก็บบริขาร น, นุ่งสว่ง ผมจีวรหรือแม้แต่ซ้อนผ้าน้ำหนาวอย่างนี้เนี่ยเราซ้อนผ้ามาจากกุฏิเลยก็ได้อออกจากกุฏิเพราะยังไงเราก็ต้องซ้อนผ้าไปบินตะบัดอยู่แล้วเราซ้อนมาจากกุฏินุ่งสบกอ่าเข้าห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันเก็บที่นอนเก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยเก็บบริขารนั้นอามานุ่งจากนั้นแล้วก็เอาจีวรมาซ้อนสั้นา ซ้อนทั้งขาแล้วก็ห่มมาเลยไม่ต้องไม่ต้องคลุมไม่ต้องห่มคลุมห่มแบบเราห่มผ้าห่มนี่แล้วเราห่มผ้าห่มล่ะชายข้างหนึ่งก็พาดไปอีกข้างหนึ่งชายข้างหนึ่งก็พาดไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็จับข้างหลังตวัดขึ้นมาอีกนี่เราก็มาได้เราก็มาได้เราไม่ต้องห่มผ้าห่มก็ได้หรือเราจะมีผ้าห่มปกคอพันคอมาอีกก็ได้เพื่อเวลาเรามานั่งแล้วมันหนาว เรากะว่าเราใช้เวลาสิบห้านาทีเสร็จไหมบางคนอาจจะไม่เสร็จบางคนต้องยี่สิบนาทีหรือบางคนก็อาจจะสามสิบนาทีนี่อันนี้สนหรับคนที่ลุกมาพอดีพอดีนะตัางนาฬิกาปลุกพอดีพอดีแต่สำหรับคนที่ท่านไม่ประมาทเนี่ยท่านจะต้องลุกลงหน้าส ม, มุติอย่างจะมาสลาก่อนตีสี่สักยี่สิบนาทีเนี่ย อเขาก็ลุกตั้งแต่นูน้นตีสามเสียเสียซหน่อยเขาก็ลุกแล้วหรือไม่ตั้งแต่ก่อนตีสามสักนิดนิดหน่อยอาจจะมีโอกาส ล, ลงเป็นเดินอาจจะลงไปเดินได้สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็เตรียมบริขารพร้อมหรือไม่ถ้าหากเราเตรียมบริขารพร้อมแล้วก็ลงเราลงมาจากกุฏิเราเนี่ยระยะเวลาสัก ตีสามครึ่งเนี่ยเราก็มาวางบริขารไว้แล้วเราก็มาเดินซะก่อนวางบริขารไว้แล้วเราก็เดินซะก่อนจนกว่าจะถึงเวลาที่เรากะว่าเราเดินจากนี้ไปท่ศลาเนี่ยไปถึงสลาก่อนตีสี่ประมาณสักสิบนาทีเนี่ยกะเเวลาเท่านั้นเช่นอย่างเราใช้เวลาสักเท่าไหร่เจ็ดแปดนาทีหกนาทีห้านาที หรือสามนาทีเนี่ยเราอยู่ใกล้เราอยู่ไกลเราก็กะกันเอาเราก็เดินมาเราก็ใช้เวลาช่วงนั้นได้เดินจนกลมเช่นหน่อยพรได้เวลาเราก็มานี่เรามันอยู่ในการกะเกณฑ์ทั้งนั้นแหละอยู่ในระยะเวลาเราต้องกะต้องเกณฑ์เท่านั้นไม่ใช่ว่าเวลาจํากัดจําเขี่ยมาแล้วก็มาแล้วก็ลืมนั่นมาแล้วก็ลืมนี้ถ้าเราจะตั้งนาฬิกาปลุกเราก็ต้องตั้งเพื่อ เวลานี้เราต้องเผื่อเร า, เอาพอดีไม่ได้หรอกเราต้องเผื่อมาสลากระกมาให้ท่านโมมาปัดมากวาดมาเช็ดมาถูเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องกะตรงเกณฑ์เท่านั้นแหละปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะให้ทนันหมูคือเราไม่ตกคอวัดทาไมงั้นเราตกวันนี้เราตกพรุ่งนี้เราก็ตกมรื่อนี้เราก็ตกเราใจแป๊วแล้ว หมูเขาเอาไปหมด่อนลวเราไม่ทันหมูให้มันได้ให้มันทันเขาวันนี้เราไม่ทันอันนี้แต่เราทันอันน้นเราก็หยิบอันนู้นวันนี้เราไม่ทันอันนู้นเรามาทันอันนี้ก่อนเราหยิบอันนี้เราทำอันนี้ข้อวัดการทำค้าข้อวัดก็คือวัตบปฏิบัติมันเป็นการปฏิบัติทั้งนั้นแหละมันเป็นการปฏิบัติทำ ขวัตต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการตะล่อมมาเพื่อเป็นการประพฤติ ธ, ธรรมเป็นเพื่อปฏิบัติธรรมทั้งนั้นขวัดต่างๆเหล่านี้ปูอาสนะจัดบาทจัดอะไรปูอาสนะเสร็จปูที่นั่งทําวัดสวนมนเสร็จเสร็จแล้วเราก็หอมผ้าหอมผ้าเสร็จแล้วเราก็มานั่งถ้ามันเราเสร็จก่อนมูเราก็มานั่งอใครจะรู้สึกว่าช้ากว่าหมูก็ต้องเร่งเร่งซะหน่อย เพื่อให้มันทันหมู่เราต้องอยู่อย่างปรับตัวให้เข้ากันไม่ใช่เราช้าอยู่แล้วช้าอยู่แล้วยิ่งไม่ทันหมูอยู่แล้วก็ยิ่งทาเฉยช้าอยู่นั่นแหละต้องรีบๆต้องให้รู้สึกเออเราไม่ทันหมู่เราไม่ทันหมู่เราต้องรีบเร่งให้ทันหมูเรื่องเรานี้เป็นเรื่องปากค้อกนะแต่ถ้าากเราตั้งเนื้อตั้งตัวยังไม่ได้เราก็ล้าหลังเขาตลอดมกันนะ ืสมมติเราตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เราต้องล่านหลังเขาตลอดคืออะไรอะไรก็ไม่ทันเขาตลอดห น, หนักๆเข้าเราก็ไม่มีใครว่าเราอ่ะเราว่าเราเองเราตำหนิตัวเราเอง <S 1> <S 1> <S 1> เพราะเราตำหนิตัวเราเองแล้วมันชักท้อใจมันชักก่อนใจมันชักไม่มีกําลังใจดูไปคนนั้นเหมือนเขาจะเพ่งแรงเราดูเหมือนไปคนนี้เหมือนดูเหมือนเขาจะเพ่งแรงเราห น, หนักๆเข้าเลยเระแวงหมู่มันมี มันมีคนแบบนั้น ม, มีเหมือนอย่างที่ผมเคยเทศไปแล้วเคยเล่าให้หมูฟังไปแล้วมันมีนักนักเข้าไม่โทษตัวเองนะนนไปโทษหมูนนว่าหมูไม่สนใจว่าหมูไม่เห็นดีด้วยอยางงั้นยางนี้คนนั้นก็ไม่สนใจคนนี้ก็ไม่ไม่สนใจะระแวงดิระแวงคิดว่าเขาคิดกับเจ้าของ แท้ๆเจ้าของคิดระแวงเองแบบนั้นก็มีนะเราต้องย้อนไปดูที่เหตุสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะมาจากที่เราไม่ทันหมู่เราก็ต้องปรับให้ทันหมู่อะไรเขาก็มือเขาก็ตีนเขาก็มีเรี่ยวมีแรงเขาก็มีเรี่ยวมีแรงเราก็ปรับให้ทันหมู่ในเมื่อเราตั้งอกําหนดกฎเกณฑ์ระยะเวลาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องหมายทันกัน เราต้องมาทันกันอ่ามันอาจจะ น, น, นานๆมันอาจจะไม่ทันอยู่บ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอันไปเห็นอาจเป็นเหตุสุดวิสัยบางทีก็มัแต่เข้าห้องน้าบ้างอะไรบ้างอ่าันเหตุสุดวิสัยอันนี้เราเราให้คะแนนตัวเองเราตัดคะแนนตัวเองได้เราอย่าไปคิดค น, นว่าคนอื่นเขาจะว่าเราเองนี่แหละจะว่าตัวเราเองเนื่องจะว่าเราบกเราพร่องนี่ผมว่า เราอยู่เราต้องอยู่ด้วยด้วยการกะการเกณฑ์ด้วยความไม่ประมาทแม้แต่ของปากคลอกนี่แหละเนี่แม้แต่ของปากคลอกอ่ะมันตายน้ําตื้นอ่ะนะปลาใหญ่ตายน้ําตื้นเราเห็นไหมโน่นอ่ะที่เขาตายตายไปตายน้ําตื้นเห็นไหมที่เขาต้องยกเลิกอะไรไปนั่นน่ะโน่นเห็นไหมไม่ยก คนแล้วคนเล่านะ่ะเนี่ยสองคนติดติดกันเ่็นไหมนี่มันตายน้ําตื้นทางนั้นหเห็นไหมเห็นไหมันเป็นเรื่องตื้นตื้นเขินเขินขนายสุกเลยติดติดน้ําตื้นปลาตายน้ําตื้นเห็นไหมเนี่ยปลาตายน้ําตื้นผมถึงว่าพวกเราต้องอยู่อย่างปรับกันปรับจิตใจปรับเวลาเวลาปรับ เนื้อปรับตัวเข้าหากันหลวงตาท่านใช้คําว่าให้อยู่ด้วยกันอย่างอวัยวะเดียวกันในคนคนหนึ่งเนี่ยทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยเราถือว่าเป็นอวัยวะเดียวกันนี่หลวงตาท่านพูดบ่อยๆอยพวกเราถึงจะมากมากกันก็ตาม แต่เราจะต้องอยู่อย่างพร้อมเพรียงสามัคคีปรองรองกันอยู่อย่างอวัยวะเดียวกันคำว่าอวัยวะเดียวกันเนี่ยมันรู้ทั่วรู้ถึงรู้ตัวทั่วพร้อมมันพร้อมเพรียงกันเหมือนคนคนหนึ่งนี่อวัยวะทุกส่วนเน่ะมันติดกันหมดอะเราดูดินะตั้งแต่ปลายผมจนถึงนุ่นปลายเท้าน่นอะอวัยวะอวัยวะทุกส่วนมันติดอยู่ในก้อนเนื้อเดียวกัน ตั้งแต่เบื้องบนจนถึงเบื้องล่างเบื้องล่างจนถึงปลายผมนั่นแหะมันเป็นอวัยวะเดียวกันหมดอ่าสมมุติเรามีมดมีแมงมันขึ้นตรงไหนส่วนไหนของร่างกายของเราเรานี่ยเรารับทราบได้หมดเพราะอะไรเพราะมันเป็นอวัยวะเดียวกันเรารับทราบหมดมดตัวเล็กๆมันไต่ขึ้นปลายเท้าของเราเนี่ยเราก็ทราบตัวเล็กๆนะเราก็ทราบเนียมันรู้ทั่วถึงกันหมด มันตายอยู่ปลายผมเราก็ทราบยุงบินเงียวเงียยมามับมาลงเกาะตรงไหนเราทราบทันทีใช่ไหมประสาทสัมผัสมันรู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยลงตาท่านเปรียบเทียบพราะเราอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นก้อนเนี่ยให้อยู่เหมือนอวัยวะเดียวกันหมายความว่าให้พร้อมเพียงกันสามัคคีกันการสามัคคีกัน สุขาสร้งางคษสสามคัคคีความพร้อมเพียงของหมู่ให้เกิดสุขนะความพร้อมเพียงสามัคคีของหมู่ให้เกิดสุขถ้าไม่พร้อมเพรียงไม่สามัคคีแล้วก็ไม่เกิดสุขละมันไม่เกิดสุขแล้วมันขัดกันมันขัดกันมันแย่งกัน คือคำว่าเป็นอยู่เราต้องถือต้องถืออย่างนี้เราดูที่ทหารเขาพร้อมเพรียงกันน่ะพ๊ดๆๆ๊ๆ๊ดดเราอยู่กันไม่มากก็ตามเราอยู่มากขนาดนี้ก็ตามหรือน้อยกว่านี้ก็ตามแต่ว่าในเมื่อเราตั้งข้อวัดเราเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นระเบียบเราจะต้องได้ให้ได้ตามบรรทัดฐานอันนั้นมันก็พร้อมเพรียงกันมันก็ได้ประโยชน์ มันมีข้อวัดมันมีการพัฒนากันไปในตัวทุกระยะทุกวันทุกเวลาที่เราจะเราทำนี่เราพูดถึงตอนเช้านะพอามาพร้อมกันใครมา ก, ก่อนนั่งก่อนใครนุ่งผ้ายังห่ผมผ้ายังไม่ทันหมู่เราก็นั่งคอยก่อนพอมาพร้อมหน้ากันหมดแล้ววันหน้าก็พาทําวัดเช้าทําวัดเช้าปัดเช้าก็เหมือนกันนะใครที่ได้แล้ว ก็ท่องอย่างอื่นบทอื่นไปใครที่ยังไม่ได้ก็พยายามท่องทำวัดเช้าทำวัดเย็นมีเวลาเราก็ท่องเอาเพราะการทําวัดเช้าการทำวัดเย็นมันเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นการระลึกถึงพระธรรมคุณมันเป็นการระลึกถึงพระสังฆคุณการระลึกถึงพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นการสวดระลึกถึงบุญคุณของท่าน ในขณะที่สวดเราก็ตั้งใจสวดการตั้งใจสวดเนี่ยเราเราเราเอาอะไรเป็นเกณฑ์เราตั้งใจสวดเนี่ยเราเอาสุติเราตั้งเป็นเกณฑ์มีความรู้สึกอยู่กับคำสวดของเราทุกคำสวดนับตั้งแต่โยโซตะตัทธะโตอระหังสัมมาสัมบุตโธนับตั้งแต่อระหังสัมมานั่นแหละเอา มีสติทันรู้ทุกขณะที่เราอ้าคาพูดน่ะนะลองกำหนดจับดูมันจับได้นะพวกเราเป็นนักภาวนาเนี่ยเราจับได้ทำความรู้สึกอยู่ยตลอดโอ้ยมันรู้สึกว่าได้บุญรู้สึกได้บุญรู้สึกได้คุณทีเดียวในขณะที่เราทำวัดสวดมนต์เนี่ยให้มันมีสติทุกคาพูดนับตั้งแต่อ้าปากหุบปากเอาหน้าปากหุบปากทำความรู้สึกตัวอยู่ตลอด เราเรรู้ว่าเราสวดตลอดมีความรู้ตัวว่าเราสวดตลอดมีความรู้ตัวว่าเราได้บุญตลอดน <Yeah. S 1> นับตั้งแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณอจนถึงบทพุทธโธสุสุโธนะ่ะจนถึงบทสังเวชสังเวชอสังเวชขปริกิตณะปาทันจะ น, นะนะบทสังเวชนะ่ะ อิทะตะท่าคาโตโลเกอุปปันโนอรหังสมมาสัมพุทโหนะคำวัาเช้านะในนั้นก็มีแต่เนื้อธรรมะทั้งนั้นนะจาติปิทุขาชราปิทุขามารนอมิทุขังโสกะปริเดวดุขโดมนสุปายาสาปิดุขา อภิเยหิสัมปโยโกโดุโคอภิเยหิวิปโยโกโดคโุคอยำปิดชังนละพัติตามปิดดกขงังมีแต่ธรรมะทั้งนั้นเลยรูปังอนิจจังเวรณาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวรณาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตา วิญญาณอนัตตาสับเบสังขารานิจจาสับเบธัมมาอนัตตาติไปอานดูคำแปลมีแต่ธรรมะทั้งนั้นเลยธรรมะต่างๆเหล่านี้นะ่ะเป็นแนวทางเราไปดูแล้วไปทำความเข้าใจมันเป็นแนวทางอย่างดีทีเดียวเราทำเราปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะยังจิตของเราให้ลึกถึงความเป็นธรรม แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่มีร่องรอยเราไม่มีแนวทางเราไม่มีกลุทธ์หมายป้ายทางเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมืดอ่าเหมือนกับว่าเรามันไม่มีแสงสว่างส่องทางเราเลยมันมืดอืแต่ถ้าเรารู้เราเข้าใจเราสวดไปด้วยเราส่งจิตกำหนดตามไปด้วยเรารู้ความหมายด้วยทําให้จิตได้รับความซาบซึ้งได้รับความอบอิ่มได้รับความสงบแล้วก็ มันเป็นการาระลึกถึงคุณธรรมต่างๆเรานั้นเนืองๆเนี่ยผมว่ามันมีความสำคัญมากเลยทำวัดเช้าจากนั้น้ก็บทแพ p เมตตาเอ้ยบทพาิสังคายาเนี่ยบทพิจรารณานล้วก็ไปดูความหมายมีมบทสังขยอตอนค่ำกับบทอัจฉริยะเสแลกไปดูบทแพ y เมตตา แผ่เมตตาตนแผ่เมตตาท่านน่ ะ, ะเสร็จแล้วก็ไปดูบทอุทิต ส, ส่วนบุญเนี่ยสเมสัตาสนาหันตูอเวราสุกชีวิโนนั่นเป็นบทแผ่ส่วนบุญนั่นนะเสร็จแล้วอย่างตอนเช้าเราก็นิยมสวดปุญยศิดาปุญจศิดานี่ก็เป็นการแผ่ส่วนบุญโดยไม่มีประมาณอันนี้เป็นเป็นบทประพันธ์ของรัชกาลที่สี่เท่านั้นเลยน ะ, ะทำวัดเชา้าทำวัดเย็นน่ะ ท่านเป็นคนไปเลือกหัวข้อธรรมมาเลือกหัวข้อธรรมในพระไตรปิฎกเลือกมาแล้วก็เรียบเรียงเป็นบทสวดธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นแล้วก็บทบุญญสิดานี่ก็ท่านก็เป็นคนเรียบเรียงเป็นการแผ่ส่วนบุญซึ่งมันแตกต่างไปจากอิมินาแต่มันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละแต่มันแตกแตกต่างกันด้วยบทนิดหน่อยอ ปกติครูบาจารย์บราณาจารย์ท่านนิยมสวดตอนเช้าท่านนิยมสวดบทท้ายปุญญสิดาในการตัดสักตอนค่าท่านนิยมสวดอิมินาปุญญกัมเมนะเหมือนอย่างที่เราสวดจบไปแล้วเมื่อกี้นีน่นตอนค่าท่านนิยมสวดอิมินาตอนเช้าท่านนิยมสวดปุญญศิดาอันนี้คือการแผ่ส่วนบุญเพราะว่าการแผ่ส่วนบุญนี้มันเป็นการได้บุญอีกต่อหนึ่งท่าเรียกว่า ปฏิทานให ม, มบุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญปฏิทานให ม, ม่บุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญเพราะเราผู้อยู่กับวิญญาณทั้งหลายที่ท่านล่วงไปแล้วหรือผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยมันมีภาวะแตกต่างกันเราอยู่นี่เราก็ใช้สอยปัจจัยของเรามีข้าวปลาอาหารโภชนาอาหารเป็นของเราแต่ผู้ที่ท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยท่านไปด้วยอํานาจของกรรม บางคนก็ตลอดชีวิตมาก็ทำกรรมไม่ดีก็ไปประสบทุกตกทุกในยากบางคนประกอบแต่คุณงามความดีก็ไปด้วยอำนาจของกรรมดีก็ส่งไปสู่ที่มีความสุขมีความเจริญเป็นสุขโตว่างั้นเถอะอาจจะทุกยากลำบากก็ตามจะสุขโตก็ตามมันเป็นหน้าที่ที่เราอยู่เบื้องหลังเราจะต้องอุทิศให้เพราะฉะนั้นอย่างเราอุทิศไปไม่มีประมาณ อุทิศไทยแก่พ่อแก่แม่แก่ปูย่ย่าตายาย ส, สัพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเจ้า ก, กานายเวนแล้วแต่เราอย่านึกได้คิดได้ระลึกได้อุทิศส่วนบุญไปให้ในขณะที่เราระลึกอุทิศส่วนบุญไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้บุญมันได้รับความสงบมันได้รับความเผื่อแพมันได้รับความอบอุ่นเส็จแล้วในหลักนั่นน่ะท่านถือว่าอุทิศไปให้แล้วเนี่ยอุทิศส่วนบุญไปให้แล้ว แล้วก็สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมารับเนี่ยเขาก็ปล่อยพ้นจากกองทุกขผู้ที่มีความสุขแล้วท่านก็มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอั น, นี้มันเป็นวิธีการที่ช่วยเหลือเกือ้อหนุนกันเราอุทิศ ส, ส่วนบุญไปไม่ใช่ว่าบุญเราจะหมดไปนะเรายิ่งได้บุญเพิ่มเขาเรียกว่าปฏิทานไมายบุญบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญให้ส่วนบุญหมายความว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการที่เรา อตั้ง อ, อกตั้งใจท่องบุญสวดมนต์ภาวนาอืฉะนัะ้นเราอุทิศไปเขาพลอยได้ยินได้ฟังอได้รับทราบการเผื่อแผ่ของเราแล้วเขาก็มารับมานโมทนาได้เราก็ยิ่งได้บุญเพิ่มเขาก็ยิ่งได้ประสบความสุขความเจริญจากการที่เขามารับส่วนบุญจากเราเนี่ยบุรณาจารย์ท่านจึงนิยมอุทิศส่วนบุญเนี่ยในบท ทำวัดสวดมนต์อย่างตอนเช้าเราทำวัดสวดมนต์เสร็จแผ่เมตตาเสร็จอะไรเสร็จยังมเหลือเวลาจนกว่าจะได้อารุณได้เวลาออกบินตบาดเราก็นั่งภาวนากันในระหว่างที่นั่งภาวนาเราได้หลักได้กดได้เกณฑ์ยังไงที่เรามาภาวนาเราก็จับหลักจับกดจับเกณฑ์นั้นนั่นแหละเช่นอย่างเราเคยจับการบริกรรมพุทโธพุทโธพุโธพุทโธกำกับลมหายใจเข้า พุทธกำกับลมหายใจเข้าพอโทรํากับลมหายใจออกนี่พอเรานั่งเข้าที่ปั๊บเพราะก็กำหนดย้อนมาที่นี่ทันทีเลยน้อมความรู้สึกมาทั้งหมดน้อมความระลึกมาทั้งหมดคือตัวสติตัวความระลึกได้มาอยู่กับเนื้อกับตัวมาทําความระลึกรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวน้อมสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาอยู่กับ กายมาอยู่กับใจจากนั้นแล้วเราก็เริ่มตั้งต้นทํางานไปการตั้งต้นทํางานนี้เราทํางานเพื่อความสงบของใจเราจะต้องอยู่ในท่าทีที่หายใจก็สะดวกนั่งก็สะดวกคําว่านั่งสะดวกในที่นี้หมายความว่าเราต้องนั่งอยู่ในท่าทีเช่นอย่าเรานั่งขัดสมาธินี่เรานั่งขัดสมาธิบางคนนั่งขวาทับซ้ายานั่งขวาทับซ้าย บางทีนั่งไม่ทนหรือนั่งไปแล้วเนี่ยมันจะงายท้องเนี่ยเราก็ไม่เราก็ไม่ต้องทับก็ได้อขาซ้ายอยู่ข้างในขาขวาอยู่ข้างนอกเออยู่บนพื้นทั้งสองเนี่ยผมส่วนมากผมจะนั่งแบบนี้ถ้าถ้านั่งขวาทับซ้ายเนี่ยมันรู้มันรู้สึกเหมือนเขาบอกมันหนักข้างหลังน่ะดูว่ามันจะงายท้องอยู่เรื่อยส่วนมากผมจะนั่งแบบนั้นเรานั่งในท่าทีที่เราเรานั่งสะดวกที่สุด Yeah. เรา่็ขัดสมาดเนยแต่ตามแบบท่านต้องบอกว่านั่งขัดสมาดขวาทับซ้ายขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายนั่งตั้งกายให้ตรงนารอง ส, ต, สติให้มั่นนารองสติสติก็คืออะไรสตินี้เป็นปัจจัยสําคัญนะในการภาวนาเราจะมีความเกี่ยวข้องตั้งแต่นี้ไปจนเราตายนั่นนะสติเพราะสติเป็นตัวมีอุปการะมากสัมปชัญญะ เป็นธรรมะที่เป็นตัวที่มีอุปการณ์มากเราก็พยายามระลึกรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวระลึกรู้กายระลึกรู้จิตทำความรู้ตัวกายทำความรู้ตัวจิตนีระลึกขึ้นมาแล้วมีอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วเสร็จ แ, แล้วเราก็จับหลักหลักในที่นี้ก็คืออารมณ์คําว่าอารมณ์ก็คือเราเอาสิ่งมามามาผูกจิตให้มันอยู่ สิ่งที่มาผูกจิตเข้มอยู่หรือสิ่งที่จิตไปผูกพันเนี่ยท่านเรียวกว่าอารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปผูกไปพันท่านเรียวกว่าอารมณ์เช่นอย่างลมกับพุทธโธเนี่ยลมก็เป็นอารมณ์พุทหรือโธเนี่ยก็เป็นอารมณ์เราจะเอาอย่างเดียวก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็เป็นอารมณ์ เราจะดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องว่าพุดว่าโทอันนี้ก็เป็นอารมณ์แต่ครูบาอาจารย์เราฉลาดหลวงปู่มั่นท่านฉลาดท่านให้ใจหายใจพุทธเข้าพุทธออกโทหายเข้าพุทออกโทกําหนดกํากับไปด้วยกันกําหนดกํากับไปด้วยกันคล้ายๆว่ามันได้กําลังสองอบางทีเรางงกับหายใจเข้าบางทีทําไปทําไปมันเลอะมันเลือนเนี่ย อ่าแทนที่เราจะหายใจเข้าว่าพุธเรากลับจะหายใจเข้าแล้วว่าโทเนเราหายหายใจออกว่าพุทธเนี่ยมันสลับกันแล้วเมันสลับกันแล้วเนี่ยมันไม่ถูกหลักแล้วเนี่ย ม, มันผิดหลักแล้วแสดงว่าเราสรับสนแล้วเราเรีบระลึกรู้สึกได้เราก็มาตั้งต้นใหม่ก็หนดย่อนจิตให้หนงนวงให้ดิ่งลงไปที่ลิ้นปีนหายใจเข้าเอก็หนดพุธ ไปพร้อมกับหายใจเข้ากำหนดโทรพร้อมกับหายใจออกท่เรียกว่าทั้งหายใจเข้าทั้งหายใจออกเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงเราไม่เปลี่ยนความรู้สึกเราเราไม่ไม่เปลี่ยนความรู้สึกดูอ่คือความรู้สึกอยู่ตรงไหนจิตเราอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้ถ้าหากเรารู้สึกอยู่กับลมหายใจเข้ารู้สึกอยู่กับลมหายใจออกเนี่ยก็คือจิตเราอยู่ สติสัมปชัญญะเรากำกับจิตอยู่เหมือนกันเถอะอจิตมันจะอยู่ได้ต่อเมื่อเรามีสติเรามีสัมปชัญญะแต่ถ้าหากไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องมัดเนี่ยจิตมันจะออกไปแล้วอถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยจิตเหมือนกับบัวพุทโธเหมือนกับว่าหลักสติกับสัมปชัญญะเนี่ยเหมือนกับเชือกนี่ถ้าเราจะเทียบนะอ่าจิตเหมือนกับบัว เชือกที่มัดววนคือสติกับสัมประชันยะลักตีไว้สำหรับเอาเชือกไปมัดอยู่นั่นคืออารมณ์ของจิตเรามัดให้อยู่กับหลักนี่แหละหลักคือพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะไม่ปล่อยไม่ทิ้งความรู้สึกเราพยายามระลึกรู้ความรู้สึกมันเป็นยังไงความรู้สึกน่มันเป็นยังไงระลึกเข้ามาสิสติเป็นยังไงสติคือความระลึกได้ อยู่ในปัจจุบันสดๆร้อนๆร้อนๆเฉพาะหน้านี่แหละสัมปชัญญะคือรู้ตัวมันรู้ตัวทั่วพร้อมนี่มันเป็นกําลังสองสติเป็นกําลังหนึ่งสัมปชัญญะเป็นกําลังหนึ่งสติกับสัมปชัญญะนี่เป็นกําลังสองแมากำหมดจดจ่อมันเป็นมันเป็นเชือกผูกจิตของเราปกติจิตมันมักจะโดดไปดิ้นไปจิตคือผู้รู้จิตคือท่ารู้จิตคือผู้รู้ แต่ผู้รู้ของเราเนี่ยมันไม่ปกติมันหิวมันหิวคือมันโดดไปนู้นมันโดดไปนี้มันโดดไปเพราะมันหิวมันหิวอะไรจิตนั่นน่ะมันไปหากินอะไรจิตมันหิวอารมณ์มันโดดไปหากินอารมณ์จิตของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องการให้มันสงบเราเลยให้มันอยู่กับอารมณ์มันเดียวเอาพุทโธเนี่ยมาเป็นหลักตอกรองดินเข้าไป เอาสติสัมปชัญญะนี่มัดกับอารมณ์มัดกับจิตให้สามอันนี่อยู่ด้วยกันอยู่ในปัจจุบันอันเดียวกันนะทั้งสติทั้งสัมปชัญญะทั้งหลักคือพุทโธ ท, ทั้งจิตคือผู้รู้นี่ให้ติดอยู่กับหลักกับเชือกกับจิตนี่อันเดียวกันไม่ให้มันพลากจากกันนี่เรากำหนดไปให้จิตมันได้รับความสงบ เนื่องจากว่ามันโดดดิ้นไปเรื่อยมันไปหากินมันหิวมันหิวอารมณ์อารมณ์นั้นเราก็สามารถสรุปได้อารมณ์อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกมีมากมายมหาศาลแต่เราสามารถสรุปได้ว่าอารมณ์ทั้งหลายต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเรามาสรุปได้แค่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐ พ, พะัะธธรรมอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐ พ, พะัะธธรรมอารมณ์ มันมีอยู่สามคู่เอออารมหกนั่นแหละเรียกว่าอายตนะ ภ, ภายนอกหกนั่นแหตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสัมผัสใจคู่กับธรร ม, มารมเนี่ยถ้ามันไม่คิดรูปมันก็คิดเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง แล้วก็เรื่องอารมณ์น้อมนึกตก๊ะผลึกค้างอยู่ที่จิต น, นั่นน่ะเขาเรียกว่าธรรมารมธรรมารมมันไม่ไม่นึกอารมณ์นั้นมันก็นึกอารมณ์นี้เราสังเกต ด, ดูถ้าหากเราไม่อยู่ในช่วงที่ภาวนาเนี่ยจิตของมันก็จะวนเวียนอยู่ในวงจรของอารมณ์ทั้งของนี่แหละมันไม่ไปไหนดอกทีนี้ถ้าหากเรารู้จักขอบเขตอารมณ์ของมันเนี่ยเราทราบเลยเออมันไม่ไปไหนดอก มันไม่เกินรูปไม่เกินเสียงไม่เกินกลิน่นไม่เกินรสไม่เกินธรร ม, มารมตอนนี้เราต้องการให้สงบเราต้องการให้สงบเราตอกหลักให้ดีหลักก็คือพุทโธหรือไม่ลมหายใจเข้าหายใจออกเอาเชือกเหนียวเหนียว ม, มัดให้ดีคือสุติคือสัมปชัญญะมัดเข้าไปข้างหนึ่งมัดเชือกข้างหนึ่งมัดจิตให้มันอยู่ด้วยกันมันจะไปไหนมันเดิอนอ้อมอยู่รอบหลัก พันหลักอยู่นี้ก็ก็ดีกว่ามันออกไปเที่ยวที่อื่นพอมัดเข้ามัดเข้าเราหายใจเข้าหายใจหายใจเข้ากำหนดพุทธหายใจออกกำหนดโทอให้ทั้งสามสิ่งนี้ให้มันอยู่ด้วยกันพอมันอยู่ด้วยกันพอมันไปเราก็ดึงมาเพลอลอมันไปก็ดึงมาในขณะที่เพลอลอมันไปก็ดึงมาเราก็ต้องมีวิธีสังเกตของเราอ้าวมันเพล๋อออกไปได้ยังไง มันไปถึงนู่นเน่ยมันไปถึงได้ยังไงมันเผลอออกไปได้ยังไงเราก็กําหนดย้อนมาย้อนมาย้อนมาเออเราเผลอตรงนี้แล้วก็มาอยู่ที่เดิมกําหนดภาวนาเหมือนเดิมทําไปทําไปทําไปมันเผลอไปนู่ตนตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็จับมันย้อนมาย้อนมาโอ้เราเผลอเพราะอันนี้เพราะนึกอันนี้เพราะคิดเรื่องนี้เพราะนึกเรื่องนี้มันเผลอตรงนี้อ ต, ต, ตอนเราจับเราฝึกเราจับใหม่ๆเราจับทีแรกๆเนี่ย มันอาจจะไปไมารู้นับเป็นสิบขณะจิตพุ่นแหละกว่าจะกว่าเราจะรู้สึกตัวบางทีถ้าเรานับหนึ่งก็นับหนึ่งถึงสิบนั่นแหละเราถึงจะรู้สึกตัวว่าจิตเราไม่อยู่มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับคําบริกรรมนะพอเรารู้สึกตัวเราก็ดึงมาดึงมาก็ตั้งใจใหม่ดํารงสติสัมปชัญญะให้ดีต้องการให้มันอยู่ทําจิตให้อ่อนไม่ให้มันแข็งไม่ให้มันกระด้างนะ ทำจิตให้อ่อนให้น้อมเพราะฉะนั้นการท่องบนสวดมนต์เนี่ยเราสวดมนต์ก่อนภาวนานจะเป็นเหตุให้จิตเราอ่อนน้อมแพรเมตตาให้จิตเราอ่อนให้จิตเราน้อมะ<ม>จิตในเมื่อมันเริ่มอ่อนมันเริ่มน้อมมามันก็ค่อยเริ่มหายพยศมันค่อยๆจะเริ่มรู้สึกอยู่ในอํานาจอยู่ในกําลังทีแรกถึงแม้ว่าเราจะ เ, าเชือกมัดอยู่ก็ตามแต่มันก็พยายามดึงอยู่นั่นแหละดึงให้เชือกมัดเอาไว้ดึงใหเชือกมั ด, ดเอาไว้ มันไปไม่ได้เพราะถูกเชือกมัดเอาไว้อบางทีก็เชือกขาดหลุดไปถึงสิบขณะจิตก็ยังไม่รู้เรื่องนับหนึ่งถึงสิบยังไม่รู้เรื่องต่อไปมามันไปอีกโอ้แปดเก้านับถึงเก้าต่อมามันรู้เข้าไปอีกนับถึงหกถึงห้าระลึกได้นับถึงสี่ถึงสามถึงสองถึงหนึ่งระลึกได้คํ้ามาระลึกได้ไหมายความว่าสติเราดีขึ้นแล้ว สตีเราดีขึ้นพอมันเริ่มไปเราจับได้จับได้แล้วก็ดึงมาไปปุ๊บระลุกได้ปับ๊บดึงมาไปปุ๊บเระลุกได้ปับ๊บจับมาจะมาจะมาจนมันอยู่พอมันอยู่พอมันอยู่ในนี้สัหน่อยอมันอยู่ในนี้สัหน่อยด้วยเหตุที่เราบริกรรมเนี่ยเนี่ยทําบริกรรมของเรามันไม่ต่างอะไรกับอาหารเราอัดเข้าไปเหมือนกับว่าเราให้จิตมั น, มนดูดดื่มกินไปเช่นอย่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดตามไป เรเมื่อว่าเราอัดอาหารให้กับมันจิตมันก็เริ่มกินอาหารของเราเนี่ยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินนานๆข้าก็อิ่มจิตบริโภคอารมณ์อารมณ์อันเดียวนี่แหละที่เราให้เขาอยู่เนี่ะบริโภคไปบริโภคไปบริโภคไปจิตก็เลยอิ่มอิ่มก็เลยอยู่กับเนื้อกับตัวจิตไม่ไปแล้วไม่หิวในเมื่อมันอิ่มแล้วมันไม่หิวอิ่มอารมณ์อิ่มอารมณ์มมที่เราอัดให้เขานั่นแหละพุทโธพุทโธพุทโธนั่นแหละ แต่ถ้าให้เขานึกนึกเท่าไหรก็ไม่มีอิ่มนึกรูปเลือกอยากรูปมานึกเสียงเลือกอยากเสียงมานึกเรื่องเปลิน่นเลือกอยากเรื่องเปลิ่นมานึกเรื่องรถเรื่องทำมารอมที่น้อมนึกอยู่ภายในใจนึกไปทั้งวี่ทั้งวันมันก็ไม่มีไม่มีการอิ่มเราอย่าไปนึกว่าเราพาเขาไปท่องเที่ยวที่นน่นที่นี่จะให้เขามีอิ่มพอไม่มีอิ่มพอสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ต่างอะไรกับเชือ้อเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทําจิตให้ได้รับความสงบ พระพุทธเจ้าท่านจึงให้เอาจิตมาจับอยู่กับอารมณ์มันเดียวเนี่ยเราทําความรู้สึกอยู่กับพุโทโธพุโทโธเนี่ยไม่ปล่อยเวลาจิตเรารวมเข้ามาสงบเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาเนี่คือเราจะเห็นความรู้สึกอันเดียวเนี่ยต่อนเนื่องกันเลยนะมันไม่ขาดช่วงไม่ว่าหายใจเข้าไปไม่ว่าหายใจออกมาไม่ว่าหายใจเข้าไปไม่ว่าหายใจออกมานะี่ย มันจะต่อเนื่องกันคือความรู้สึกนะมันต่อเนื่องความรู้สึกของเราต่อเนื่องคือจิตมันอยู่กันเนื้อกับตัวจิตมันอยู่กันเนื้อกับตัวทำไปมันก็เริ่มอิ่มเข้าไปทาไปก็เริ่มอิ่มเข้าไปทาไปก็เริ่มอิ่มเข้าไปถึงแม้มันหายใจตามปกติเขอามันเราไม่กำกับพุทโโธเราไม่กำกับไม่กาหนดว่าพุทไม่กำหนดว่าโธก็ตามแต่จิตมันก็ไม่ไปเนื่องจากว่ามันเริ่มอิ่มแล้วจิตมันเริ่มอิ่มแล้ว พอมันอิ่มหนักหนักเข้าเนี่ยมันจะทิ้งคําบริกรรมของมันเองทิ้งบริกรรมของมันเองคือมันไม่กินนะเพื่อนเถอะเราให้มันมันก็อิ่มแล้วป้อนเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่เอาป้อนเท่าไหร่มันก็ไม่เอาคือมันทิ้งแล้วมันเริ่มทิงคําบริกรรมมันอยู่กับเนื้อมันอยู่กับตัวล่ะจ right. ิตมันเริ่มสงบจิตมันได้รับความสงบได้รับความอิ่มเอิบไปรับความสงบอ่มันมีความสุขในความสงบนั้นมีความสุขในความสุขนั้นมีความอิ่มเอิบมีความสงบ ในความสงบนั้นมีความสุขในความสุขนั้นมีความอิม่มเ อ, อิบอัดแน่นเข้ามาที่หน้าอกของเราเนี่ยเหม่อคลิ้นปีของเราเมื่อหัวใจของเราเดิง่ลงลงเลาะปล่อยคําบริกรรมปลอ่ปลอยอะไรเท่าไหร่มันก็ไม่ไปนี่คือการฝึกฝนอบรมจิตให้ได้รับความสงบวันนี้เราก็ทําคืนนี้เราก็ทําดึกๆึเราก็ทําใกล้สว่างเราก็ทําตอนสว่างมาแล้วทำวัดสวดมนเราก็ทํา ในที่สุดเราสามารถทาได้ยืนเราก็ทาได้เดินเราก็ทาได้นั่งนอนเราก็ทาได้เราอยู่ในอิรยาบทไดเราก็สามารถทถมได้ทั้งนั้นนี่คือการเราก็พัฒนาเราไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆใครทำได้อย่างนี้คนนั้นชื่อว่าเป็นคนไม่ประมาทและสามารถที่จะทำจิตของเราให้อยู่ในอิรยาบทแห่งความสงบทุกอิรยาบดยืนเดินนั่งนอนเมื่อจิตเราเริ่มสงบ สัจธรรมที่อยู่รอบข้างตัวเราก็จะเริ่มปรากฏคือทุ <Snow> ทกอย่างมันมีอยู่มีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจไม่ไม่เคยเราลึกรู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรเป็นอะไรเรารู้แต่ว่าวันทั้งวันเนี่ยกิเลสมันพาจิตของเราเนี่ยส่งวิ่งว่อนด้วยอำนาจของความอยากของมันนั่นความอยากก็คือเรื่องของกิเลสกิเลสตมันมีอยู่ภายในใจมันอยากตัวก işte so yes. um, so ิเลสก็คือตัวตันหาตันหาคือความอยากความอยากคือตันหา ตันหาคือความอยากที่มีอยู่ภายในใจความอยากที่มีอยู่ภายในใจอย่างเดียวแต่กลายเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ไปจับใจเท่านั้นเองเช่นอย่างเราว่าเราว่าท้องเราอยากแท้จริงท้องเราไม่อยากนะใจมันอยากใจมันอยากเนื่องจากว่าท้องเนี่ยมันรู้สึกบกพร่องไปแล้วก็ใจก็แสดงความอยากเป็นกําลังสองขึ้นมาเป็นเหตุให้เราต้องดิน้นต้องรนต้องแสวง หาอะไรต่ออะไรต่างๆมาแก้ขัดความอยากเนี่ยนี่คือความอยากความอยากเทวนี้เนี่ยถ้าหากมันอยากไปตามหน้าที่ของมันอันนี้ก็เป็นไปเพื่อความอยู่ได้เช่นอย่างอยากอาหารนี่ก็หาอาหารมาใส่นี่ก็เป็นไปเพื่อความอยู่ได้หนาวเนี่ยเราก็อยากไม่หนาวเราก็ไปหาสิ่งมาหม่มฝนตกแล้วก็หาอยู่ในที่ฝนไม่ตก คือความอยากแบบนี้มันเป็นความอยากเพื่อเป็นการรักษาตัวเราได้แต่ความอยากของกิเลสอ่ะมันไม่มีขอบเขตมันมากมายมหาศาลยิ่งกว่าแม่น้ํายิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรความอยากมันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรเราอุดช่องนี้ให้มันมันออกช่องนั้นเราอุดช่องนั้นมันโผล่ช่องนี้อุดช่องนี้โผล่ช่องนั้นอุดช่องนั้นโผล่ช่องนี้เพราะฉะนั้นวิธีการนี้เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านทรงคนพบอืมด้วย การบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณวิธีนี้แหละเราจะสามารถพิจารณาให้รู้อะไรท่องแท้แก่ใจได้เราจะต้องทําจิตให้ได้รับความสงบถ้าจิตไม่ได้รับความสงบนะมันถูกส่งไปนู่นถูกส่งไปเนี้ยะให้มันจ่ออยู่กับเรื่องเดียวให้รู้ให้เข้าใจเรื่องเดียวเนี่ยรู้ไม่ได้รู้ได้ยากมากมันไม่รู้มันไม่เข้าใจมันก็หลงยึดหลงถืออยู่ร่ําไปเนี่ยวิธีการมันเคลื่อหนุนกันทําให้จิตได้รับความสงบ เมื่อจิตเราเริ่มสงบแล้วมันมีความสุขมันจะสงบอยู่นานเท่าไหร่ก็ให้มันสงบให้มันอยู่มันอยู่ห้าขณะจิตสิบขณะจิตก็ตามมันก็ดุกระดิ ก, กด ข, ขึ้นมาแล้วก็จับกรรมปิกรรมต่อไปอีกแต่อย่าไปลุกนะกระดุกระดิ ก, กด ข, ขึ้นมาก็ปุ๊บปั๊ บ, ป บ, ปบเปลี่ยนที่แล้วก็ลุกนะเสียเสียเที่ยวเถี่ยวเจับต่อยจับต่ออี ก, ออกมันก็ตะลองเข้ามาตะลองเข้ามาได้รับความสงบอีก อาจจะสิบขณะจิตเนี้ยมันก็ยาวไปอีกใช่ไหมต่อไปเรื่อยสิบห้าขณะจิตเนี่ยมันสงบยาวๆไปเรื่อยยีสิบขณะจิตยี่สิบห้าขณะจิตสามสิบขณะจิตมันกว่าสามสิบนาทีแต่สามสิบนาทีมันหลายขณะจิตนะขณะจิตเราเนี่ยเราดูไปที่จิตของเราเราจะรู้ว่าจิตมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยมันเปลี่ยนขณะของมันน่ะ การที่เรามีสติมีสัมผัสัญญาดีนั่นแหะเรากำหนดจดจ่อไปเราจะรู้ว่าจิตมันเปลี่ยนขณะมันจะเปลี่ยนขางมันนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเราดูไอ้ตรงที่มันเปลี่ยนถ้าหากมันเปลี่ยนโดยที่เราไม่รู้จักคาว่ามันเปลี่ยนเนี่ยเราไม่รู้จักไม่รู้จักมันเปลี่ยนเนี่ยอวิชชามันจะแทรกมาตอนนั้นนะชนะความอยากเนี่ยความอยากคือกิเลส ตัณหาเนี่ยมันแทรกมาพร้อมๆกับอวิชช า, ามาแทรกเข้ามาคําว่าอวิชชาคือความไม่รู้ไอ้ช่วงนั้นตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยนะเราไม่รู้เลยมันเป็นเส้นผมบางภูเขาเนี่ยแป๊บเดียวเราไม่รู้ว่ามันแทรกเข้ามาแล้วแป๊บเดียวเราไม่รู้ว่ามันแทรกเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ละขณะจิตเนี่ยช่วงของขณะจิตเราพยายามสังเกตเราพยายามจับดูตรงนั้นเนี่ยอันนี้คือเรารู้ช่องรู้ทางว่าสิ่งมันนี้มาแทรกเข้ามาได้ยังไง ถ้าเป็นนักภาวนาแล้วเรารู้เราเข้าใจเรารู้มันจะแทรกมาตรงนี้ตรงที่จิตมันเปลี่ยนขณะจิตนั่นแหละเปลี่ยนขณะปั๊บเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนปั๊บเรารู้แต่ว่าจิตของเราดำรงอยู่อย่างนี้สักหน่อยหนึ่งอมันเปลี่ยนไปอยู่อย่างหนึ่งแล้วสักมน่อหนึ่งมันเปลี่ยนไปอยู่อย่างหนึ่งเนอะไอตอนที่มันเปลี่ยนเราพยายามดูให้ทันเราพยายามกําหนดเราพยายามจับเราพยายามดูให้ทันไอตอนที่เราดูไม่ทันก็คืออวิชามันมาบดบังที่จิต ทีนี้ในเมื่ออวิชชามันมาบดบังที่จิตเนี่ยถ้ามันบังเฉยๆโดยที่กิเลสมันยังไม่แทรกเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็นับว่าดีแต่ส่วนมากกิเลสมันจะแทรกเข้ามาไอ้ตรงที่มันบดบังเรานี่แหละเพราะกิเลสมันหายช่องที่จะมาแทรกจิตใจของเราอยู่แล้วคือแท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่มันอยู่ข้างนอกที่ไหนมันมาอยู่คนละที่ประนเดนแล้วมันคอยแทรกจิตเราไม่ใช่กิเลสมันมีอยู่ในจิตในใจของเรานี้ย คำว่ามันแทรกมันแทรกก็หมายความว่ามันแสดงตัวออกมามันปรากฏตัวออกมามันแสดงตัวออกมามาใช้จิตมาทําหน้าที่แทนสติแทนสัมผััญญาของเราเนี่ยแล้วก็พาเรานึกพาเราคิดพาเราเลื่อยเปยไปถึงไหนเราก็ไม่ทราบได้นี่คือการที่กิเล่มันมาแทรกภายในจิตของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําจิตให้ได้รับความสงบจิตที่มีความสงบอยู่เนืองๆคือจิตมีสติดีมีสมาธิ เมื่อสติดีมีสัมผัสัญญะดีจิตก็มีสมาธิดีเรามีสมาธิ ด, ดีคือจิตของเราเนี่ยแนบแน่นมั่นคงเราพร้อมที่จะกําหนดพิจารณาอะไรก็สามารถเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในการกําหนดจดจอ่อพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลของสิ่งต่างๆเรานะั้นคาว่าเห็นในทีนี้คือเห็นสัจธรรมนั่นแหละเห็นสัจธรรมรอบข้างตัวเราก็ตามเราน้อมมาที่กายของเรา เราพิจารณากายของเราครับน้อมไปรอบๆบข้างตัวเราพิจารณาตัวของเราแล้วพิจารณาย้อนไปที่ตัวคนอื่นพิจารณาตัวคนอื่นแล้วก็ย้อนมาที่ตัวเราอืมแต่ถ้าเราไม่ให้ออกนอกไปเลยยิ่งดีถ้าเผื่อมันไม่อยู่มันอยากไปพิจารณานอกกายของเราเนี่ยพิจารณาซากศพพิจารณาหมาเน่าพิจารณาอะไรที่เราไปเห็นเนี่ยเราพิจารณาข้างนอกแต่เราก็ย้อนมาที่ตัวเราพิจารณาตัวเราแล้วก็ย้อนไปข้างนอก พิจาราข้งนอกแล้วก็ย้อนมาที่ตัวเราเราเราจะได้อุบายเราจะได้วิธีแต่ว่าเราจะรู้เราจะเห็นอย่างแจ่มแจ้งได้นั้นสติของเราจะต้องอยู่สัมมิจัญญาของเราจะต้องอยู่หมายความว่าจิตเราจะต้องมีสมาธิอยู่การที่จะเราจะฝึกให้จิตมีสมาธินี่แหละเนี่ยมันเป็นต้นต่อที่เราจะพยายามทาจิตให้มันอยู่เพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นเราจะต้องทําจิตให้ได้รับความสงบอยู่อย่างนี้ บางครั้งจิต hey? มันโดดไปนู้นมันมันดิ้นไปนี้แล้วก็ตามนึกตามคิดตามพิจารณาไปแล้วก็ย้อนม า, าที่ตัวเราเนี่ยตามนึกตามคิดตามพิจารณาไปแล้วก็ย้อนมาที่ตัวเราให้มันมาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยให้มันได้รับความสงบอยู่กับตัวเราถ้ามันอยากรู้ก็ให้มันมารู้ที่ตัวเราเ น, น, นี่ยตัวเรามีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟก็พยายามมากำห น, นดจดจอ่อพิจารณาดูเพือให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจไม่งั้นเราก็ลุ่มหลองอยู่อย่างนี้แหละไม่จบ อันนี้เป็นวิธีการเป็นวิถีทางเป็นช่องทางที่เราเปิดมาเพื่อให้ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงภาวะอัตตาคือตัวตนของเรานี่คือความเป็นไปของจิตตรงนี้คือความไม่ฉลาดของจิตเป็นเหตุให้กิเลสต่างๆมาแทรกภายในจิตของเราอันนี้นี่คือการตั้งใจภาวนาเราทําให้ได้รับความสงบแล้วก็พิจารณาไปบางครั้งเรา อย่ากพิจารณาน้นพิจารณานี้แต่ว่ามีสติกำหมดจดจ่อไปมันก็เป็นเหตุให้ได้รับความสงบกันพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็ได้รับความสงบแล้วก็น้อมมาที่กายของเราที่ใจของเราให้มันอยู่ให้มันสงบอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละมันก็สั่งสมความสงบเข้าไปเรื่อยๆมันก็เป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานเข้าไปเรื่อยๆสมาธิเป็นปัจจัยแห่งปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ความรอบรู้ตัวนี้ถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับแสงสว่าง อวิชาหรือโมหะเนี่ยมันเหมือนกับความมืดตื้อของจิตทําไมจิตของเราจะจะมีความรู้มีความสว่างเราจะต้องทําจิตให้ได้รับความสงบเส็จแล้วก็เอามาพิจารณาคลี่คลายเพื่อทำลายเพื่อทำลายสิ่งที่พาเราลุ่มหลงเนี่ยเราจาะเข้าไปพิจารณาเข้าไปทําให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจความรู้ความเข้าใจตัวนี้แหละเป็นปัญญา ปัญญาเป็นแสงสว่างปัญญาสามารถส่องทะลุปลุกปรงไปหมดไม่เหมือนแสงแสงเดือนแสงดาวแสงอาทิตย์นะแสงสว่างของปัญญาเนี่ยส่องไปไม่มีขีดไม่มีขั้นสามารถส่องทะลุปรุกปรงไปหมดส่องมาที่ตัวเราทะลุปลุกปลงหมดส่องมาที่กายส่องมาที่จิตเนี่ยสามารถทะลุปลุกปงไปหมดนะนี่คือปัญญามีกำลังจากการที่จิตได้รับความสงบมีสมาธิมีความสงบ ใครสามารถทำให้ได้รับความสงบแล้วก็พิจารณาตั้งแต่พื้นพื้ น, นขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยสามารถทำงานของใจอันนี้ให้เป็นไปได้คนนั้นชื่อว่าเป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจของตัวเองอย่างถูกต้องดีงามดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงความสุขความเจริญที่แท้จริงของมนุษย์นั้นไม่ใช่ว่าเราจะมีน้นมากมีนี้มากมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาล ความสุขความเจริญที่แ ท, ท้จริงของชีวิตเรานั้นเป็นความสุขความเจริญที่เกิดขึ้นจากการที่เราสงบคือจิตเราสงบเราดูว่าเวลาเราสงบเนี่ยจิตของเราจะมีความสุขมีความเอิบอิ่มมันไม่ต่างอะไรกับเราหิวมากๆแล้วเรามารับทานอาหารอิ่มเพราะอิ่มไปแล้วมันก็สงบมันหายหิวใจของเราเวลามันไม่สงบมันก็หิวเหมือนกันเวลาเราให้เขา รับทานอารมณ์อิ่มไปแล้วจิตมันอยู่มันสงบอย่างที่กล่าวไปแล้วนั่นแหละในความสงบนั้นน้ำมีความสุขมันเป็นความสุขยังไงเราก็ทําให้เปลี่ยนเราจะรู้ว่าเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบมีความสุขมีความอบอุ่นภายในใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเบาสบายมันปลอดโปรง่งระลึกนึกคิดสอดส่องไปใส่อะไรมันทะลุโปร่ปปรงไปหมดเนื่องจากจิตของเรามีความสงบจิตของเรามีสติมีตัวนํา ท bon mm hmm. ี่แข็งกล้าคือสติตัวสติตัวสัมปชัญญะที่แข uh well ็งกล้าภายในจิตเป็นผู้กํากับจิตเป็นผู้นําของจิตเป็นผู้กํากับดูแลจิตสติสัมปชัญญะเนี่ยเราถือว่าเป็นเครื่องมือกํากับดูแลจิตการที่จิตของเราสงบมันสงบได้เพราะว่ามีสติมีสัมปชัญญะกํากับเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะกากับจิตก็สงบเมื่อสงบแล้วเราก็ เอาจิตที่สงบนี่แหละประกอบไปด้วยสติดีสัมปชัญญะดีเนี่ยไปดูไปสอดส่องดูสิ่งที่เราคือลุ่มหลงเราลุ่มหลงกายลุ่มหลงกายของเราเรา่าส่องมาที่กายของเราเราก็แยกแยะเข้าไปที่แยกแยะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอเ็นอกะดุหัดวิภาควิจารณคําว่าวิภาคหมายความว่าเรามาจําแนกจําแนกยังไงจําแนกตามอาการ เช่นอย่างอาการ32ที่พุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้นี่เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังจนถึงน้ำมูดจนถึงอาหารใหม่อาหารเก่านอาการทั้งยี่สิบเนี่ยเป็นธาตุดินเพราะมันแข็งมันเป็นก้อนมันเป็นแท่งมันแข่นมันแข็งอน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดจนถึงน้ำมูดทั้ง12อาการนี้เป็นอาการของธาตุน้ำรวมเป็นอาการ32 ร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยอาการ32อาการ32นี้แยกเป็นธาตุดิน20แยกเป็นธาต์น้ํำ12เข้า่าธาต์ก็คือสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างราพระพุทธเจ้าท่านทรงใช้คํำว่าธาต์ธาต์แปลว่าสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นมูลเดิมของมันท่าเรียกว่าธาต์ธาตุดินอาการของธาตุดินในกายของเราก็ามี20 อาการของธาตุน้ำของเราก็มีสิบสองเป็นอาการสามสิบสองแต่ในก้อนกายของเรานี้มันยังมีธาตุลมอีกยังมีธาตุไฟอีกธาตุลมเราก็ดูไม่ยากคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องลมในไส้ลมพัดขึ้นเบื้องสูงลมพัดลงเบื้องต่ำนี่ธาตุลมแล้วก็มีธาตุไฟอีกธาตุไฟก็คือสิ่งที่อุ่นๆในกายเนี่ยเราจับตรงไหนอุ่นๆนั่นแหละคือธาตุไฟในตัวเรา ตรงไหนที่มันอบมากมากตอนนั้นแหละเป็นธาตุไฟเอธาตุ ด, ดินธาตุน้ำธาตุน้ํามันซึมซาบมันเอื้ออาบในสารพัดร่างกายของเราเนี่ยธาตุ ด, ดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอันนี้เราได้มาจากพ่อได้มาจากแม่โครงสร้างของมันเราได้มาจากพ่อได้มาจากแม่เพราะเราออกมาจากท้องแม่แล้วเนี่ยเราก็ใส่เอาเองเราใส่วัตถุดิบเข้าไปคืออาหารเนี่ยข้าวน้วําโพชนะอาหารเราใส่เข้าไปเอ่า รับทานข้าวขนมนมเนยต่างๆแล้วก็รับทานน้ําเข้าไปน้ํานี่จะเป็นตัวไปช่วยเป็นตัวนําในการกระจายธาตุต่างๆหล้วนั้นไปสู่สารพังร่างกายร่างกายก็ดูซึมเข้าไปตามส่วนต่างๆของร่างกายไปผลิต เ, เป็นนี้ไปผลิตเป็นนี้ไปเป็นอาหารที่ไปบํารุงร่างกายทําให้ร่างกายนี้มีได้เปลยนได้อยู่ได้มีธาตุทั้งสี่คุมกันอยู่คือธาตุดินธาตุน้ํา ธาตุลมธาตุไฟธาตุไฟก็กํากับธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟกํากับดูแลให้อบอุ่นอยู่ไม่ให้มันบูดไม่ให้มันเน่าธาตุลมก็ปรนปรือกายนี้อปรนปรือกายนี้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็เอาเอาอากาศดีๆเข้าไปเอาออกซิเจนเข้าไปหายใจออกมาก็เอาอากาศเสียๆออกมาหายใจเข้าหายใจออก อันนี้แหละคือระบบระเบียบคือการทํางานของมันมันมีของมันโดยอัตโนมัติอเช่นอย่างหัวใจมันทํางานปอดมันทํางานของมันมันหายใจเข้ามันหัวใจก็ทํางานดูดฉีโลหิตเข้าไปเพื่อให้มันส่งกระจายอาหารไปทั่วๆสัตว์วผังร่างกายลมก็พยายามดูดเข้าไปเอาอากาศดีๆไปไปเข้าในร่างกายแล้วก็ทายทีอากาศเสียๆออกมาที่ธาตุลม ธาตุไฟก็กระจายความอบอุ่นไปทั่วสารพังร่างกายทั้งดินทั้งนา้าทั้งลม ท, งทั้งไฟเนี่ยทําไมมันถึงมาเกาะเกี่ยวกันอยู่ได้มันก็เกี่ยวกันอยู่ได้ในภาวะของความเป็นมนุษย์ของความเป็นสัตว์มันมาเกาะมาเกี่ยวมาเกาะมากลุมกมก่มกันอยู่อย่างนี้เพราะในร่างของมนุษย์นั้นมันจะมีรูปธรรมกับนามธรรมนามธรรมก็คือใจนามธรรมก็คือใจกรรมทั้งหลาย ที่มาเกาะกลุมท่าทั้งสี่นี้ก็คือกรรมที่มาจากใจมาจากอำนาจของใจเนี่ยท่าต่างๆเหล่านี้อยู่ได้ด้วยอานาจของธรรมด้วยอำนาจของกรรมกรรมมาจากใจกรรมเป็นผลผลของใจเป็นทุนเดิมของใจที่ใจมาเกาะมาเกาี่ยวม า, า, ม า, มาจับมาจองมาเกาี่ยวมาคล้องมาผูกพันกันแล้วก็ใช้การ นึกคิดพิจารณาไปอย่างนี้เพื่อเป็นการกระจายวิภาควิจารณกายของเราเนี่ยให้รู้ว่ากายและสักจธว่าเป็นกายในขณะที่เราพิจารณามันจะเป็นอย่างนั้นให้เห็นว่าเป็นกายสักจธว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราปกติกิเลสมันยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเรามันกระซิบก็ทราบมันมาแทนที่ของใจให้ใจไม่รับทราบสิ่งที่เป็นภาวะตามหลักธรรมชาติมันมา เปลี podemos, lives, out, future, lives, lives, ่ยนแปลความรู้สึกของใจไปทั้งหมดเอาไปเป็นเนื้อเป็นหนังของมันทั้งหมดมันเปลี่ยนไปเป็นภาวะของมันทั้งหมดมันเปลี่ยนให้เราทราบแต่ของบิดของเบี้ยวของไม่ตรงของตรงตรงตามความเป็นจริงแท้ๆตามหลักของสัจธรรมแท้ๆเรารู้ไม่ได้เราเข้าใจไม่ได้เราทราบไม่ได้คิเลสมันหลอกให้เราเชื่อตามมันทั้งหมดโดยมันบอกว่าร่างกายทั้งหมดเนี่เป็นมันร่างกายทั้งหมดเนี่ย เป็นมันเป็นของของมันกิเลสมันบอกว่าเป็นเราเป็นของของเราโดยแท้ที่จริงธาตุดินธาต้น้ำธาตุลมธาตุไฟมันสักแต่ว่าเป็นธาตุมันได้มาอย่างไหนมุญเดิมของมันก็ได้มาจากพ่อได้มาจากแม่มีเราที่ไหนเราดูปีเราดูธาตุที่เราเกาะ อ, อยู่ในท้องแม่น่ะเป็นเราที่ไหนเราอยู่ที่ไหนจิตมาจับจองอ่ะพอออกมาแล้วรูน้นเดียงสาภาวะเขา้ามาจับจอง มาจับจองโอ้ร่างกายของเราร่างกายของของเราใจเป็นคนมาจับจองที่หลังมาจับจองตามหลังแท้จริงอันตภาพร่างกายนะั่นก็เป็นผลิตผลของใจนั่นแหละด้วยอํานาจของกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจด้วยอํานาจของความอยากของใจนั่นแหละมันถึงไปจับจองภพภูมิต่างๆตามอํานาจกรรมของมันทําให้เราต้องไปเกิดในภพในภูมิต่างๆเหล่านั้นอย่างไม่จบไม่สิ้นแต่ภพภูมิต่างๆเหล่านั้น ก็จะสับเปลี่ยนถ่ายเทกันมาเป็นมนุษย์ทำบาปหยามช้าไปเป็นเดริชานหยาบช้าทารุณมากไปกว่า น, นั้นไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นอสุรกายเนี่ยไปเป็นสัตว์เดริชานเนี่ยเราดูที่สัตว์เดริชันมีไหมเปรตเราไม่เห็นอสุรกายเราไม่เห็นนรกเราไม่เห็นเราอาจจะเคยตกมาด้วยกันแหะแต่เราไม่รู้ไม่เห็นเนื่องจากมันนานมาแล้วอาศัยว่าภพชาติมันบทมันบงังมันปิดมันบงังเราเอาไว้เรารู้ไม่ได้เราเข้าใจไม่ได้ แต่สิ่งที่อยู่ร่วมโลกกับเราก็คือสัตว์เดรัจฉานเราดูไปสัตว์เดรัจฉานมีไหมสัตว์เดรัจฉานก็คือพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยพวกหมูหมาเป็ดไก่เนี่ยบัวควายช้างม้าอะไรต่างๆเนี่ยพวกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ร่วมโลกกับเราเนี่ยพุทธเจ้าททรงตรัสว่าพวกนี้เป็นพวกุนอาบายอบายภูมิเป็นภูมิที่หาความเจริญไม่ได้ถ้าใจเราตกต่ําเราก็ต้องไปเกิดในอบายภูมิ ถ้าจิตใจดีควรได้อันตภาพเป็นมนุษย์เราก็มาได้อันตภาพเป็นมนุษย์มนุษย์ชั้นเลวมนุษย์ชั้นกลางแล้วมนุษย์ชั้นดีมนุษย์ชั้นดีเลิศจากภาวะของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเราตั้งใจภาวนาจิตได้รับความสงบลึกละเอียดขึ้นไปโดยลําดับเข้าไปได้พร้อมชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นจิตพิจารณาเกลเลชำให้บริสุทธิ์แต่ยังไม่วิมุตต์หลุดพ้นเนี่ยเป็นพระนาคามี ก็เป็นอยู่นู่นชั้นพรหมสุทาวาสพรหมโลกห้าชั้นนั่นนหะอวิหาอตตปาสุทัศสุทศีาาาาอาการิฐานั่นแหะสแล้วไม่ต้องม า, มาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วก็นิพพานที่นู่นอันนี้คือความเป็นไปของภพภูมิของมนุษย์เราไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในภพภูมิอยู่อย่างนี้เราจะมีการสับเปลี่ยนทายเทกันมาอย่างไม่หยุดมายังเนื่องจากว่าจิตของเราใน ย, ยังท่องเที่ยวหาที่เกิดอยู่ แม้แต่พระอนาคามีก็สามารถท่องเที่ยวหาที่เกิดคือมีพบที่จะต้องไปเกิดนู่นบนพรหมโลกชั้นสุดทาวาสนั่นนะพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าคําว่าพบคําว่าพ บ, ค, าพบคือที่เกิดเมื่อเรามีที่เกิดแล้วเราจะต้องไปเกิดเมื่อมีพบแล้วเราจะต้องมีชาติคือเราจะต้องไปอุบัติในชาติในภพนั้นๆขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วเนี่ยขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วเนี่ยนํามาซึ่งกองทุก แม้แต่พระอนาคามีเนะี่ยท่านละกลิเลสเบื้องต่ำได้แล้วเนะี่ยยังเหลือ ก, เกิเลสเบื้องบนเนะี่ยผู้ใต้เจ้าท่านยังทรงตําหนิพบตำหนิชาติการที่ไปเกิดเป็นพระอนาคามีโดยที่ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับคูดคูดคืออุจจาระนะนะ่ะอุจจาระแม้จะมีเป็นหยดเอ่ยเป็นค้อนเอ่ยเล็กๆน้อยๆมาแปะมาเพื่อนเราเนี่ยก็มีกลิ่นไม่สะอาดฉันใดขึ้นชื่อว่าพบเนี่ยก็ต้องมีความทุกข์ ทุกกายทุกใจอยู่ทุกภพทุกชาติมีความทุกแทรกอยู่ทุกภพทุกชาติความทุกที่ไม่สามารถจะแทรกอยู่แม้แต่ไม่ถิินเม็ดทรายได้นั้นคือความทุกที่ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้กับผู้ที่ไม่มีภพไม่มีชาติเช่นอย่างพระอรหันต์ผู้ชําระจิตบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงแล้วกิเลสตัณหาอาสวะ แม้แต่เม็ดหินเม็ดสายก็ไม่มีในในจิตที่บริสุทธิ์นั้นคือเป็นจิตที่ชําระซักฟอกขัดเปล่าได้สะอาดหมดจนโดยชิ้นเชิงแล้วคือพ้นจากพ้นจากชาติพ้นจากความเกิดก็พ้นจากความทุกข์พ้นจากวัฏสงสารพ้นจากทุกพ้นจากภัยพ้นจากทุกโทษในวัฏสงสารดํารงตนอยู่โดยเอกเทศ โดยลำพังตัวเองไม่เป็นสองกับสิ่งใดเป็นเอโกธรรมโมอันนี้คือปลายทางที่พวกเราพยายามตั้งใจภาวนาให้จิตได้รับความสงบและพิจารณาเพื่อทำลายความลุ่มหลงของเราเพื่อให้เป็นไปตามชั้นตามภูมิตามชั้นตามภูมิต่างๆเหล่านี้อันนี้แหละเป็นผลที่สะท้อนมาถึงเหตุ เหตุที่พวกเราเนี่ยอุตส่าห์พยายามตั้งอกตั้งใจเข้าวัดเข้าวามาบวชมาฝึกมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติดัดแปลงกายวาจาจใจของเราเนี่ให้เป็นไปในทางที่ดีไม่เป็นไปในทางที่งามเป็นไปในทางที่ชอบเป็นไปเพื่อเป็นการย่นยอ่อวัฏจัสงสารของเราเให้สั้นลงให้สั้นลงให้สั้นลงให้สั้นล ง, นลงก็คือการมาตั้งใจรักษาศีลนี่เอง พราะศีลหนุนสมาธิศีลเนี่ยเป็นเหตุหนุนสมาธิเพราะถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยเรามาทําสมาธิมันก็ไม่ได้รับความสงบเพราะว่าเราไปผิดศีลข้อนั้นผิดศีลข้อนี้พอเรามานั่งไอ้ความที่ผิดศีลของเราเนี่ยมันมาทิ่มแทงหัวใจของเราทําให้ใจเราสงบไม่ได้ระ ง, งับไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านจึงว่าศีลหนุนสมาธิเราจึงจําเป็นจะต้องรักษาศีลดยยิ่งยิ่งขนาดไหน ย, ยิ่งขนาดเป็นอธิจิต ยิ่งขนาดเป็นอธิสินอ่ยิ่งขนาดเป็นอธิศินคือศินโดยยิ่งสินนี่แหละจะเป็นฐานรองสมาธิหรือจะเป็นตัวหนุนสมาธิคื อ, อเป็นเหตุให้จิตได้รับความสงบไม่มีใดๆมาก่อกวนจิตทําให้จิตได้รับความสงบได้อย่างง่ายดายเพราะว่ามันไม่มีเหตุมาทิ่มแทงภายในจิตของตัวเองแล้วก็สมาธิหนุนปัญญา ในเมื่อเรามีสมาธิดีแล้วสมาธินี้จะนุนปัญญาคือในเมื่อจิตสงบก็สามารถเอาความสงบของจิตมาพิจารณาให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนไปของกายนี้ของจิตนี้เห็นภาวะที่แท้จริงของมันภาวะที่แท้จริงของมันก็คือสามั ญ, ญลักษณะอันนี้จังทุกขรังอนัตตาลักษณะทั่วๆัวไปของสังขารกายลักษณะทั่วทั่ไปของสังขารจิต ลักษณะทั่วๆไปของสังขารที่มีอยู่นอกกายของเรานอกจิตของเราสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราปล้วนเป็นสังขารทั้งนั้นคำว่าสังขารก็คือสิ่งหลายๆสิ่งมาประกอบกันและหลายสิ่งมารวมกันถ้าเรียกว่าสังขารสังขารสังขาระเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ด้วยปัจจัยปรุงแต่งคำว่าปัจจัยก็คือสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมามาปรุงกันมารวมกัน ถ้าเราจะเที่ยวก็เหมือนกับแกงในหม้อนั่นแหละมีอะไรบ้างที่จะเข้าลงไปในหม้อนับตั้งแต่น้ำพริกเกลือปลาเนื้อแล้วแต่ผักอะไรก็แล้วแต่จะใส่ลงไปอะไรดีๆนั่นะถ้าเราจะเที่ยวมันนะนั่นนะียวกว่าแกงหรือทุกอย่างที่เราเห็นน่ะถ้าหากเราดูง่ายๆดูง่ายๆไปที่เทียนเนี่คือสังขารหนึ่ง เรายกตัวอย่างเพื่อเราจำไว้ง่ายเทียนนี่เนี่ยนีเป็นสังขารสังขารต้องเทียนเทียนประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยขี้พึ่งแล้วก็ประกอบไปด้วยไส้แล้วก็ประกอบไปด้วยธาตุไฟพอเวลาเอาธาตุไฟไปจุดปับ๊บธาตุไฟก็กินกินไส้ในขณะเดียวกันมันก็ดูดกินขี้พึ่งนะในขณะที่สังขารประกอบกันแล้วก็ทํางานเป็นไปตามระบบระเบียบของมันก็เกิดเป็นไฟขึ้นมา ในไฟนั้นก็มีแสงสว่างมีความร้อนมีควันมีสีในขณะเดียวกันมันไม่มันไม่ปกติมันไม่คงที่เราเห็นความไม่คงที่ของของเปลวเทียนเราเห็นความไม่คงที่ของไฟที่มันกินเชื้อไฟมันจะดูดขึ้นไปมันจะทำให้ที่พึ่งเน่เดือดปัป๊ดมันดูดขึ้นไปในขณะที่ แสงมันต่อเนื่องไปเราคิดว่ามันจะอยู่คงที่มันไม่อยู่คงที่มันดูดน้ําใหม่ๆขึ้นไปกินอยู่เรื่อยดูดขี้ผึ้งตัวใหม่ ๆ, ๆดูดไปกินดูดไปกินไอตัวที่มันกินอยู่ก็หมดไปไหม้หมอดไปมัดูดตัวใหม่ขึ้นไปเรื่อยดูดขึ้นไปเรื่อยเราจะเห็นวัตถีนเนี่ยสั้นเขา่าสั้นเขา้าสั้นเขา่าสั้นเขา่าสั้นเขา่นเขานี่คือสังขารมันทํางานถ้าเราจะเทียบร่างกายของเราก็เหมือนกับเทียนนี่แหละเราใส่อะไรเข้าไปมันก็บดมันก็ย่อย มันจะไม่อยู่คงที่ของมันความไม่คงที่ของมันนี่แหละท่าเรียกว่าอันนี้จังทุกขังเราไปบังคับบัญชามัไม่ได้ดอกไปบังคับบัญชาไม่ได้เราเอาอะไรใส่เข้าปากเราเอานี้ใส่าปากเข้าไปแล้วขอให้มันเอ่อปิมอยู่ตั้งห้าวันสี่วันน่ะขี้เกียจมากินบ่อยๆขีเกียบมาหาอยู่หากินบ่อยๆให้มันอิ่มไปสักเดือนหนึ่งให้มันอิ่มไปสักปีหนึ่งเราบอกไม่ได้ดอกพอไปแล้วมันก็ไป บดไปตีไปย่อยไปสลายอะไรของอลไรตามระยะกำหนดเวลาของมันนั่นแหละเช่นอย่างเรารับทานน้ำเข้าไปรับทานอาหารเข้าไปเนี่ยเนีมันก็ไปบทไปย่อยการบทการย่อยของมัน่ะมันทำไปตามหน้าที่ของมันเราจะจะต้องการให้มันบทหรือไม่ต้องการให้มันบทมันก็บดตามหน้าที่ของมันเราไม่ต้องการให้มันย่อยมันก็ย่อยมันก็สลายตามหน้าที่ของมันเราอยู่เฉย เราใส่เข้าปากพปแล้วมันลงท้องไปแล้วเนี่ยร่างกายมันทําตามหน้าที่ของมันเสร็จแล้วก็ในร่างกายของเราทุกปรมาณูทุกอนุปรมาณูในร่างกายของเราไม่มีส่วนใดที่จะอยู่คงที่ไม่มีส่วนใดที่จะอยู่คงที่มันเปลี่ยนไปตามภาวะสังขารที่เข้าไปปรุงเข้าไปแต่งนั่นแหละมันจะดันขึ้นมามันจะดันขึ้นมามันจะสับเปลี่ยนตัวมันเองเข้าไปเรื่อยสับเปลี่ยนตัวมันเองไปเรื่อยเหมือนอย่างเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเนี่ย ถ้าเราใส่อาหารไปมากๆมันก็ขยายตัวได้เยอะอมันก็ทําให้เราสังขารหรือคือร่างกายของเรานี่พองขึ้นอ้วนพีขึ้นอกําลังวังชาก็ดีขึ้นสมมติเราไม่ค่อยใส่ให้มันไปเช่นอย่างเราอดข้าวตอนนั้นวันทนนี้วันสังขารร่างกายมันก็แฟบลงตัวเซลล์มากๆเยอะแยะที่เคยมีเมื่อก่อนนั้นน่ะอันนั้นก็ตายไปอันนี้ก็ตายไ ป, นนยไปเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเกิดตายเกิดตายเกิดตา ย, เ ก, ตายเกิดตายในร่างกายของเราเนะ่ะ เซลแต่ละอย่างแต่ละอย่างน่ะไม่ว่าจะเป็นเซลกระดูกเซลเนื้อหนังเอ็นกระดูกน่ยแต่ละเซลแต่ละเซลเลยมันเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายตัวใหม่เกิดตัวเก่าก็หมดไปตัวตัวใหม่เกิดก็ตัวเก่าก็หมดไปถ้าอาหารมากมาเยอะแยะมันก็แตกแขนงเข้าไปเรื่อยแตกแขนงขึ้นไปเรื่อยเซลแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยท่านที่ว่าเป็นกลุ่มชีวิตแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นกลุ่มชีวิตของมันนะ ไม่งั้นเราจะเอาเอวัยะวะคนน่ยไปใส่แทนกันไม่ได้เช่นอย่งางก็เอาอะไรไปเสริมจมูกไงใช่ไหมเอากระดูกอ่อนาไปเสริมจมูก เ, อกกกอเมมกพอไปใส่ซะหน่อยเดี๋ยวเนื้อกในกระดูกเนื้อของกระดูกมันก็เชื่อมสัมพันธ์กันเพราะว่าต่าง ม, มีชีวิตเนี่ยชีวิตกับชีวิตมันก็เชื่อมถึงกันถ้าเราจะเที่ยวเมื่อกล่เราไปตอนเราไปตอนกิ่งมะม่วงเราไปตอนกิ่งมะนาวเนี่ยพอเราไปตอนซะหน่อยหนึ่งด้วยเหตุที่ว่า ทั้งสองฝ่ายต่างมีชีวิตด้วยกันมันก็จะเชื่อมประสานกันแล้วก็ดูดดดูอาหารที่มันสามารถจะดูดได้น่ะมันดูดได้มันก็ดูดไปกินแต่ถ้าหามันไม่มีอาหารมันก็เหี่ยวไปเหี่ยวไปเหี่ยวไปไหนสุ่มก็ตายอันนี้คือการที่เราไปตอนต้นไม้ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันพอเราใส่ไปมากๆมันก็พีขึ้นอ้วนขึ้นพีขึ้นพอเราไม่ใส่ให้มันมันก็แฟบลงแฟบลงแฟบลงเนี่ยทุกอย่างในร่างกายของเราไม่มีอะไรอยู่คงที่ เสร็จแล้วความเป็นไปของวัยของเราก็ไม่คงที่เราดูนับตั้งแต่เราเป็นหยดน้ําอยู่ในท้องแม่นั่นแหะหยดน้ําของพ่อกับของแม่ผสมกันอยู่ในท้องแม่เนี่ยคือธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันอยู่ในท้องแม่ไม่มีคงที่นะมันจะขยายมาเลิกขยายมาเลิกขยียมาเลิกเจริญมาเลิกเจริญมาเลิกเจริญมาเลิกเจริญมาเลิกจนเรานี่โตอาการครบสามสิบสองแล้วออกมาออกออกมาแล้วมาอยู่นอกนอกท้องแม่ อยู่นอกท้องแม่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่เราได้มาจากพ่อได้มาจากแม่นั่นแหล ะ, อ, ะอยู่ในท้องแม่เนี่มันเชื่อมประสานกันด้วยสายรกเห็นไหมสายรกคือท่ออาหารท่ออาหารมาอย่างไรมาจากแม่แม่ได้อาหารยังไงลูกก็ดูดกินนั้นนั่นได้เผ็ดก็ดูดเผ็ดเข้าไปได้ร้อนก็ดูดร้อนเข้าไปได้เย็นก็ดูดเย็นก็ไปได้อาหารจืดก็ดูดจืดเข้าไป ไปฉะนั้นคนที่มีท้องเขาจึงระมัดระวังเพราะใส่อะไรเข้าไปมันก็เป็นการให้อาหารกับเด็กอยู่ในนั้นนี่เห็นไหมมันดูดเข้าไปมันเจริญขึ้นมาเรื่อยเจริญขึ้นมาเรื่อยเจริญขึ้นมาเรื่อยออกมาแล้วก็ต้องมาใส่เองหาใส่ปากใส่ท้องเข้าไปเองมันไม่มีอะไรอยู่ที่นะั่นนับตั้งแต่เป็นต่อมน้ำมาเรื่อยๆจนเปลี่ยนเป็นตัวเป็นตอนมีแขนมีขามีลําตัวมีหัวออกมาเห็นไหม แล้วก็วัยทั้งหลายก็เจริญกันไปเรื่อยเจริญกันไปเรื่อยมาตั้งแต่เป็นทารกแบกเบาอยู่เนื้อต่อกันมาเรยหัดลุกหัดนั่งหัดคลานหัดลุกยืนหัดเดินเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่กลางคนเริ่มเท่าเริ่มแก่เริ่มลายไปตายในที่สุดเนี่ยเป็นวงจรหนึ่งของชีวิตเนี่ยเราเห็นมันอยู่กับที่ไหมไม่เคยอยู่กับที่ ด้วยความไม่อยู่กับที่นี้เองท่านให้เราพิจารณาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดที่สุดท่ามกลางและเบื้องต้นเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพื่อให้เรารู้ให้เราเข้าใจว่าความเป็นไปของร่างกายนี้คติของร่างกายนี้มันมีมันเป็นไปตามคติของมันความที่มันไม่คงที่นี้เองเราดูให้เกิดความเข้าใจง่ายๆความไม่คงที่นี่แหละพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนิจจังยังไงทุกขังก่นนั้นทุกขังอะไรอนิจจังก่อนงั้น นี่คือสามัญลักษณะนะไม่งั้นเราเราหลงเราประมาทเลินเล่อลืมหนะ้าลืมตัวลืมเนะื้อลืมตัวอันนี้จังยังไงทุกขังกันไหนอันนั้นทุกขังอันไหนอันนี้จังกว่าอันนั้นคือทุกขังคือมันทนอยู่ในภาวะเดิมของมันไม่ได้มันเปลี่ยนตัวมาเรื่อยเปลี่ยนรูปร่างมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยแช่เราออกมาแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนตัวของมันเปลี่ยนจากอ้วนเป็นผอมเปลี่ยนจากผอมเป็น อ, เปนอ้วน เปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เท่าก็แก่ไปผมก็งอกไปฟันก็หักไปอะไรไปมันหมดอายุไขของมันมันตกไปมันก็ร่วงไปในที่สุดหัวใจก็หยุดเต้นหายใจก็หยุดหายใจหัวใจก็หยุดเต้นหยุดฉุบหยุดฉีดตายคือวงจรหนึ่งของชีวิตนี่อนิจจังทุกขังทุกขังอะไรอนิจจังก่อนนั้นทั้งอนิจจังทั้งทุกขังของร่างกายนี่เราบังคับบัญชาได้ไหมเราบังคับบัญชาไม่ได้ ด้วยเหตุที่เราบังคับบัญชาไม่ได้นี้เองท่านยิงว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอัดตาแปลว่าตัวตนกิเลสมันพาว่าตัวตนกิเลสมันว่าสุขขังกิเลสมันว่านิจจังถ้าหากเราคิดว่าร่างกายของเรา Mina. ไม่แก่นแสดงว่ากิเลสมันครอบงําจิตของเราแล้วมันว่านิจจังเราคิดว่าร่างกายของเราเป็นสุขเนี่ยกิเลสมันครอบงําจิตของเราแล้ว แท้จริงร่างกายนี้มันทุกข์มันทนอยู่ในภาวะเดิมของมันไม่ได้ทั้งนิจจังทั้งสุขขังนิจิเลสภาวะและอัตตาตัวตัวหนึ่งมันภาวะกิเลสภาวะแท้ที่จริงภาวะตรงกันข้ามกับที่เราเข้าใจร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขงังและก็เป็นอนัตตาทั้งอนิจจังทั้งทุกขงังทั้งอนัตตามันเป็นภาวะดั้งเดิมของรูปธรรมอันนี้ของนามธรรมอันนี้ทั้งร่างกายแล้วทั้งจิตใจ จิตใจก็มีลักษณะเหมือนกันมีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราดูยากเราเข้าใจยากเราจะต้องมาดูที่ร่างกายของเราซสก่อนถ้าเราเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเรื่องของกายแล้วเราจะเข้าใจไปที่จิตได้ง่ายหรือเราจะเริ่มรู้เริ่มพิจารณาสลับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เละเมื่อเราเห็นด้วยสติเราเห็นด้วยปัญญาหมายถึงเราเห็นไตรลักษณ์นะเมื่อเราเห็นด้วยสติในเมื่อเราเห็นด้วยปัญญา และเราเห็นด้วยปัญญาญาณเนี่ยการที่เราเห็นด้วยปัญญาญาณมันถึงขั้นที่ว่าเราตัดรากตัดเง่าตัดโคน่นของกิเลสขั้นใบขั้นหนึ่งได้เกิดความเชื่อความนึกความคิดที่จะทําให้กิเลสส่วนนั้นเหล่านั้นกําเริบเสริบสารขึ้นมามันเกิดขึ้นมาได้ท่านเรียกว่าไม่กําเริบเป็นอกุปธรรมเนี่ย น, นี่ต้องถึงขั้นที่ว่า เราภาวนาไปจนถึงขั้นว่าปัญญาญาณเกิดญาณเกิดญาณทัศนาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขึ้นมาภายในจิตภายในใจของเรากิเลสส่วนนั้นก็ตกไปอส่วนไหนที่ยังเหลือเรากขยับเข้าไปอีกขยับเข้าไปอีกให้เห็นสาเหตุให้เห็นต้นต่อที่แท้จริงของ ม, มันมันก็ตกไปมันก็ร่วงไปส่วนไหนที่ยังเหลือเราขยับเข้าไปอีกพิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัย he ath, he ath, he ath, ของมันหเห็นต้นต่อของมันด้วย ยาณทัศนะมนก็ตกไปเอาจนถึงไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วมันก็หมดหมดไปจากขันธ์สันดานของเราท่านเอายาณทัศน์เป็นเครื่องมาตัดสินเพราะตัวนั้นเป็นตัวมาประทับตราเป็นตัวมาตรึงตราเป็นตัวมาตัดให้ส่วนนั้นส่วนนั้นนี่ให้เราหมด พ่อคล่องใจให้หมดความสงสัยในขันธสันดานมีความปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตเอ้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีทิฏฐิมีความเชื่อเห็นอยู่อย่างนี้แหละอย่างเด็ดขาดไม่มีความฝ่าฝืนที่จะคิดว่าโอเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขานี่นก็ถือว่าละสักกายทิฏฐิได้ละก่อนที่เราจะละได้นี่แหละเราจะต้องมาพิจารณาย้ำไปย้ำ ม, ม, ม, มาย้อนไปย้อนมาบทไปบทมาจนย่อยจนละเอียด จนเ ก, เ, กจเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขั้นไหนขั้นที่ว่ามีญาณทัศนะเกิดขึ้นในหัวใจของเราญาณทัศนะนี้เป็นผลขณะที่เราตั้งใจทําเหมือนอย่างเราบดเราอัดเราอะไรทําอะไรต่างๆจนได้ที่ญาณทัศนะคือผลที่จะพึงปรากฏขึ้นมาโดยที่ประเสริฐจากความเจตนาความจงใจภายในหัวใจของเราเมื่อในเมื่อเราเกิดญาณทัศนะมาประหารมาตัดสิน ามาตัดสินความสงสัยข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นเราก็หมดความสงสัยอย่างปักใจเชื่อเต็มร้อยเปอร์เซนก็ถือว่าไม่กำเริบก็ถือว่าผ่านได้ขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งเราก็ทําไปอยู่อย่างนี้แหละอันนี้คือการทําความรู้ทาความเข้าใจในหัวจิตหัวใจของเราเพื่อความสุขเพื่อความเจริญที่ยั่งยืนที่ถาวรที่มั่นคงความสุขทั้งนี้เป็นความสุขทางใจไม่ใช่ความสุขแค่เนื้อหนังแค่ ได้กินอิ่มได้นอนหลับต้องการที่อยู่ก็ได้ที่อยู่ดีๆต้องการอาหารก็ได้อาหารดีๆต้องการมีความสุขแบบนั้นก็ได้ความสุขแบบนั้นตามใจได้ความสุขแบบนี้ก็ได้ความสุขแบบนี้ตามสิ่งเหล่านั้นมันมีแล้วมันมีความชินมันมีความชามันมีความอิ่มมันมีความพอผู้ที่ยังไม่มีก็อยากได้ผู้ที่มีแล้วเป็นแล้วก็เบื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ ก็ต้องการสิ่งอื่นได้สิ่งนั้นมาได้มาสัหน่อยก็ใช้ไปสัหน่อยออบริหารบริหารไปสัหน่อยเบื่อสิ่งนี้แหละต้องการสิ่งใหม่เบื่อสิ่งนี้ต้องการสิ่งใหม่มีอยู่อย่างนี้อยู่ร่ำไปไม่จบไม่สิ้นอันนี้คือความเป็นไปของกิเลสเพราะกิเลสมันต้องการสารพัดไม่มีจุดจบพอได้มาสัหน่อยมันก็ไม่ต่างอะไรคับเด็กได้ตุ๊กาตาเน่ยพอเล่นเล่ น, ลนสัหน่อยก็เบือ่อแล้วอยากได้ใหม่ไปเห็นตัวใหม่อยากได้อีก พอได้มาแล้วเล่นๆเบื่ออีกแล้วอยากได้ตัวใหม่อยากได้ตัวใหม่มาอีกเล่นๆเบื่ออีกแล้วนี่คือความเป็นไปของกิเลสมันไม่เหมือนธรรมการดีดการยื่นการแสวงหาไม่มีจุดจบมันเป็นเรื่องของกิเลสจึงเป็นเรื่องที่กวนใจเราอยู่ทุกระยะทุกวันทุกเวลานาทีนี่พวกเราอยู่บนเส้นทางนี้เราอยู่บนเส้นทางที่เราจะต้องฝึกต้องฝืนต้องกดต้องทน ต้องใช้สติต้องใช้สัมปชัญญะต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพื่อที่จะก้าวไปแต่ละเปาะแต่ละเปาะแต่ละเปาะตามหนทางที่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกท่านก้าวไปแล้วท่านก้าวไปแล้วท่านพ้นทุกพ้นเวรพ้นภัยในวัฏสงสารไปหมดแล้วพวกเราเป็นสมณะเป็นสาขยะบุตรเป็นพุทธชีโนโอรสซึ่งเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าเดินตามร่องรอยท่านไปเดินตามทางที่ท่านเสด็จออกไป พอเราเริ่มรู้ธรรมเราเริ่มเห็นธรรมนั่นแหะเราเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเริ่มเห็นตั้งแต่เราได้รับความสงบได้รับความสงบมากได้รับความสงบน้อยนั่นแหละคือเห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแหละพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมการเห็นแบบนั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าการเห็นธรรมนับตั้งแต่ความสงบนี่แหละเป็นต้นไปพอเราเริ่มได้รับความสงบเนี่ย อ๋พระพุทธเจ้านี่แหละคือภาวะของความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ยแปลว่าพูดตื่นผู้เบิกบานเบิกบานจากเกยื่อตันหาอาสาวะทั้งหลายทั้งปวงถ้าเป็นบัวก็เป็นบัวที่บานรับแสงอาทิตย์จ้าบานเจิดจ้าอย่างเต็มที่ดูไปสวยงามสว่างไสวเป็นคําเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าท่านบานเต็มที่แล้วสิ่งที่พาให้พระองค์เหนร้อหัวฉิตหัวใจ ชักล่าหัวจิตหัวใจของพงเข้ารกเข้าพงไปแต่ละภพแต่ละชาติก็มาชาระมาสิ้นสุดลงพระยะสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเคยตรึงเคยรึงเคยรัยรดพันหัวจิตหัวใจมากี่ภพกี่ชาติก็สามารถรื้อไปแล้วก็หลุดพ้นไปได้แล้วก็ไม่ต้องมาได้ครับกองทุกกองโทษอันเป็นไปในวัฏฏะสงสารไม่มีจุดจบไม่มีที่จบไม่มีที่สิน้น คนทุกไปได้ผลโทษไปได้ถึงปีมุติหลุดพ้นไปจากโลกทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนท่านก็ไม่สูญไปไหนท่านก็อยู่กับเรานี่แหละอเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านยังอยู่ตราบดใดที่เราปฏิบัติทําให้ได้รับคุณธรรมเหมือนพระองค์ก็ชื่อว่าเราเห็นพระพุทธเจ้าธรรมะคาสั่งสอนของพระองค์อันเป็นข้อปฏิบัติการเป็นสวักข า, ารธรรมมันเป็นคําสอนที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วอันนี้แหละเป็นาศาสดาแทนพระองค์ ในระหว่างที่เราศึกษาเราไปอบรมเข้าไปศึกษาเรื่องศีลก็ศึกษาเขาไปศึกษาเรื่อ ง, องสมาธิก็ศึกษาเข้าไป <ส master S 2> ศึกษาเรื่องปัญญาเราก็ศึกษาเข้าไปเราเริ่มมีสมาธิเราเริ่มมีปัญญาเราเริ่มได้ปัญญายาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเราเริ่มเห็นพระพุทธเจ้า ถ, ถือว่าเราเดินตามร่องรอยท่านไปแล้วเรามีความสุขมีความเอิบอิ่มจะทาให้ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเด่นขึ้นสูงขึ้น สูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆขัดเข้าไปเรื่อยๆเกลาเข้าไปเรื่อยๆเอียดเข้าไปเรื่อยๆแหลมคมเข้าไปเรื่อยๆควสามารถจิตไร้กิเลสอสวะทั้งหลายที่มีอยู่ภายในหัวใจของเราหมดหมดจดโดยสิ้นเชิงขาดไปจากขันธสันดานอันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดที่พวกเราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจทําถ้าเราไม่ลืมตัวเ ร, เราลึกเนืองเนืองว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่บนเส้นทาง ที่จะพาเราเก้าวไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงเราก็เสียดายเวลาไม่ปล่เวลาให้ล่วงเลยไปละทิ้งไปโดยประสิจักประโยชน์ตรงนี้ไม่นั่งเหมาอมองทําให้จิตใจเลื่อนลอยอันเป็นเรื่องของกิเลส ท, ทั้งหมดนะมันครอบงำจิตของเราถ้าเราศึกษาไปมันถึงอกถึงใจเราจะเห็นโทษของกิเลส เห็นโทษเราเลยเห็นยิ่งเห็นเท่าไรเราก็ยิ่งพยายามปัดไม่ให้มันมาเกาะหัวใจขเรายิ่งเห็นเท่าไรก็ยิ่งปัดไม่ให้มันมาเกาะหัวใจของเราเห็นเท่าไรยิ่งปัดพยายามหนีมันให้พ้น่ะไหนสุดเราก็พยายามถีบตัวให้พ้นออกจากมันไปได้เป็นปราะเป็นเปราะเป็นเปราะแก้เพลยแก้เพลยแก้เพลยะทําลายความลุ่มหลงนี่แหละเดี๋ยวนี้เราแก้ไม่ได้เราก็อยู่ด้วยความลุ่มหลงอยู่ด้วยความสงสัยสนเทศ สิ่งที่เราสงสัยนั่นแหละเป็งสิ่งที่เราจะต้องมาเกี่ยวข้องมาผูกมาพันมัดหัวจิตของเรามัดหัวใจของเราความทุกข์ก็ตามมาเนืองเนืองอืมเราแก้มาตรงนี้ได้เราก็จะค่อยพ้นทุกข์พ้นโทษพ้นเวนียนพ้นภัยในวัฏสงสารไปเรื่อยโดยลําดับเอานะเท่าที่ปรารภทำสู่กันฟังเราก็ได้แค่ว่าลุกขึ้นแต่เช้ามาปฏิบัติวัดยัดถูปู่อาสนะรมวัดแล้วก็นั่งภาวนาแต่ก็พูดถึงความสงบพูดถึงปัญญาบ้าง เพื่อเป็นแนวทางกับผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังบ้างเราจับได้ช่วงไหนตรงไหนแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติข้องใจตรงไหนด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วก็สอบถามโดยเฉพาะถามผมหรือถามผู้รู้หมู่ที่เขารู้ถามๆกันสอบสอบถามกั น, กนเพื่อเราได้ข้อปฏิบัติเพื่อได้กําลังจิตกําลังใจด้วยกันวันคืนล่วงไปให้มันได้รับประโยชน์คือประโยชน์ ประโยชน์กับตัวเราเองเราทําได้มากเท่าไหร่ไม่มีใครมาแบ่งมาปันไปเป็นผลเป็นประโยชน์อานิสงส์แกเราทั้งหมดทั้งนั้นเราไม่มีธนปะปตปังอะไรพอเสร็จข้อวัดเราถือว่าการงานที่เราทําก็คือข้อวัดปฏิบัติปัดกวาดเช็ดถูปูอสัสนะตอนเช้าเก็บนุน้นเก็บนีรักษาบริขารมีหน้าที่รักษาบริขารรักษาบาดรักษาจีวรแล้วก็รักษาข้อวัดกิจวัตร เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำวัดสวดมนต์นี่มันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องจัดพยายามจัดพยายามทำให้เป็นระบบระเบียบภายในตัวของเราอย่าอยู่แบบไม่มีกฎไม่มีระเบียบให้กับตัวเองอวันคืนล่วงไปเราก็ขาดทุนศูนย์ดอกไปหมดคนอื่นเขาหอบเขาหิว้วเขาตักเขาตวงไปแต่เราไม่ได้อะไรเราก็เสียเปรียบหมู่ออันนี้ต้องต้อ ง, อ, งอกต้องใจละมัดระวังเราไม่ต้องไปโทษว่าเราเราไม่มีความรู้เราไม่มีความเข้าใจเราไม่มีความสามารถ เรามาศึกษาแค่จอสติสัมปชัญญะของเรามาดูกายของเรามาดูใจของเราแค่นี้ถือว่าเรามีเรามีความรู้แล kind of ้วเรามาระลึกรู้กายของเราเรามาระลึกดูตาของเราตาของเราไปเห็นอะไรนั่นนี่เราเริ่มได้งานแล้วนี่คือความรู้แล้วเรามาระลึกรู้หูของเราหูของเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรไปเกี่ยวข้องกับเสียงเนี่ยนีจิตมันออกมาทางทางหู ออกมาทางจมูกออกมาทางลิ้นออกมาทางกายแล้วก็ออกมาทางใจมันออกมาทางใจมันออกมาอย่างไรพอเราหลับหลับหูหลับตาไปเนี่ยมันพผลอมาที่จิตมันเป็นมโนภาพมันทําให้เกิดมโนภาพอย่างนั้นมโนภาพอย่างนี้มันพาให้เรารักในมโนภาพนั้นพาให้เราชังในมนโนภาพนั้นมันลากจิตเราดึงจิตเราล่องลอยไปไปตามเรื่องตามราวของมันนี่เป็นงานเป็นการที่เราย่นย่อมาเป็นข้อปฏิบัติได้แล้ว ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปเรียนจบที่โน่นจบอย่ามุน่นจบอย่างนี้โอ้ยเขาเรียนรู้สูงคือจบสูงก็ทําได้เราไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเรารู้แค่นี้เราเข้าใจแค่นี้เราไม่สับสนนี่เรายิ่งไม่มีงานมากเรายิ่งจะทํำได้ง่ายงายขาให้เข้าใจจับหลักได้จับใจความได้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจไปประพฤติปฏิบัติกันเอานะพอสมควรแก่เวลาแล้วอพอแค่นี้